กราบขอบคุณท่านจะให้พอว่าแคบควาดปลอดภัยก็เลยแคบควาดจริงๆค่ะเพราะไปโดนระเบิดเป็นอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้โด น, นที่วรถไฟฟ้ า, าตาวนี้ <c oughs> ต้องเอ <c oughs> ล่าก็ไม่เล่าพลังไม่ถึงคราว <c oughs> ถึงาวก็ต่อให้อมพระอาหารวันยกล้ตายกั น, นบอกว่ากลับบ้านแล้วนึกขึ้นได้วันจานาร์ให้พอนวันก่อนนี่ก็ให้แบบอย่างนั้นแหละแล้วถ้ามันพิเศษอย่างนั้นได้ก็ดีส <c oughs> อนอยู่ทุกวันว่าเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดา <c oughs> ใจใจไม่ตายไม่กลัวเลยใช่ไหม ใจไม่ตายไม่เคยตายหน่นอนจะกลัวตายสิสิ่งที่มันไม่ไม่กลัวมันก็มันตายมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วร่างกายไม่กลัวหนังเนื้อกระดูกมันไม่กลัวอะไรตัวที่กลัวมันไม่ตายให้ให้ใ ห, ให้ให้คนความจริงตอนนี้ให้เจอถแล้วจะอยู่อย่างสบายใจ เจอว่าไอตัวนี้มันไม่ตายแล้วก็จะอยู่อย่างสบายใจเรากดเรียงก่อนจะได้ฟังทั่วไอตัวที่มันไม่ตายเนี่ยถ้าเราพบมันเราก็จะสบายใจถ้ามันเราเนี่ยถ้าทำไมเรามองไม่เห็นตัวเรา เพราะเราม่มีกระจกเงาไว้ดูกระจกเงาที่จะดูใจก็ต้องเป็นธรรมะภาวนาการภาวนาเป็นการสร้างกระจกใจขึ้นมาสร้างจนสำเร็จมันก็จะปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเรียกว่าธรรมะโวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นว่าใจกับกายเป็นคนละสวน ายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตุมือมาอยู่ร่วมกันตามอำนาจของปัญหาความอยากแล้วก็ตามอำนาจของบุญหรือบาปถ้าเป็นอานาจบุญก็ได้ร่างของมนุษย์ถาเป็นอานาจของบาป ก, ก็จะได้ร่างของเบญจานถ้าอยู่กันใจเพื่อ ระยเวลาหนึ่งแล้วก็แยกกันไปแล้วก็กลับมาใหม่มาหาร้างมาอาไปกลับมาอยู่อยนมานับไม่ถ้วนแต่ตัวที่มาได้ร่างนี้มันไม่เคยมีเวลาที่จะมาศึกษาความจริงเลยทุกครั้งที่ได้ร่างกับพิบารานี้เป็นตัวเป็นตัวมัน พอร่างเป็นอะไรไปมันก็เกิดความหวาดตัวเกิดความทุกขึ้นถ้าได้สร้างกระจกไล่ดูเหมือนกับเรามีกระจกที่เราดูหน้าตาเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรานี่ไม่ใช่เป็นร่างกาย ร, ร่างกายไม่ใช่เราถ้าท่อาอกร่างกายเป็นอัาตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา อนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจตตายเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเรางของเราคือความหมายของอนิจจังทุกขังนัตตาถ้าผู้ใดเห็นธรรมนี้ผู้นั้นก็คือก็มีกระจกมีกระจกเห็นตนเองก็จะไม่กลัววามตายถ้า อัญญนยญญามโกฏิยะท่านก็เป็นควาจาอะไรสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการหลับไปเป็นธรรมดาท่าก็เห็นจัดว่าผู้เห็นกับสิ่งที่จุกเห็นนั้นคอยสนับสนนกันสิ่งที่เห็นก็คือร่างกายที่ประกอบ ด, ด้วยปีนาลมฟันธาตุสี ไม่ได้เป็นตัวของผู้เห็นผู้เห็นเพียงเพียงเป็นผู้มาได้มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราวเมื่อถึงเวลาสมบัตินี้ก็จะต้องเสือเ่อมหมดสภาพไปก็จะแยกคืนกลับสู่สภาพเดิมของคําเขาก็จะกลับไปสู่น้ำกลับไปสู่ลมกลับไปสู่ใฟ กลับไปสู่ดินเวลาที่คนตายไฟก็จะออกจากร่างไปร่างกายก็จะเย็นแล้วต่อมาน้งก็จะไหลออกไปลมก็นื้อย อ, ออกไปใที่สุดก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินเห็ น, นอัีมีถ่าัดท อย่างเราตอนนั้นไปถามมันใช่ไหมตัวเราอยู่ตรงไห น, นตัวเราตัวเขาอยู่ตรงไห น, นไม่ดีคนที่เป็นเจ้าของเ้าเขาไปแล้วเขาไม่ได้ตายทาี่สําลกตายตสมมติเราไปเราก็ไปแล้วเราก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นี่เราไม่ได้ตายที่ร่างกายทุกคนก็เปอยู่ตรงนี้น การของทุกคนนี่เป็นธรรมชาติเดียวกันเป็นธาตุเหมือนกันต่างที่ว่ามันรู้ไม่จริงกับรู้จริงแค่นั้นเองถ้ารู้จริงก็ไม่ทุกข์กับอะไสบอว่อวางไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะได้ร่างเลยเพราะได้มาทีไรมันก็ต้องมาแบบอย่างน้อที่สุดมันก็เป็นทาาหาเวเป็นจากขั้นฐานเป็นฐาน ที่ต้องแบกภาระ เ, าเช่นพระพุทธเจ้าสร้างหังจากพระโลกหลังจากที่ท่านปฏิสูรแล้วบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังต้องแบกภาระของร่างกายอยู่ยังต้องดูแลรักษาให้อาหารอาบน้ำอาบทะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้ยืมให้ยาดูแลไปเป็นภาระอย่าง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 เรียกว่ากระจกกระจกสอนใจแม่นดวงใจแม่นสอนใจเนี่ยที่เรามีท่านความหมายก็คือปัญญาหนึ่ปัญญาหรือธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมที่จะทําให้เราเห็นความจริงเลยที่พระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวองค์แรกที่เห็นใจตัดสู้ตัดสู้ว่าตัดสู้เรื่องของใจนี้ ว่าใจทุกข์เพราะอะไรใจสุขเพราะอะไรใจทุกข์เพราะหลงตจยึดใจติดขันห้าวว่าเป็นตัวเราของเราฉันแสดงไว้ในทุกข์กับอุปทานในขันห้าเ ป, เป็นเป็นทุกถ้าไม่มีอุปทานก็จะไม่มีความท เนแม้จะมีขันธ์ห้าแต่ถ้านม่มีอุปทานก็จะไม่ทุกข์เช่นพระพุทธเจ้าบ้านอะไรท่านจะไม่ทุกข์กับร่างกายจะเป็นจะตายอย่างไรท่า น, นไม่เดือดร้อ <c oughs> ตายในเอเรียาึงไหนเมื่อไหร่ที่ไหนเะไรใดท่านตายได้อย่างสบายเพราะท่านไม่มีอุปทานในขันธ์ในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา ท่านเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเกืิ ง, ย, งย็นน้ำเย็ในไฟคือท่านตัดสรก้ตัดสรูพระอายุจาก ส, าาาากสิทุกสมัยไทยไม่รู้นะทุก็คือเกิดแก่เสด็ตาการพักผาจากสิ่งที่รักที่ชอบด้วยการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบหรือโดยทบทโดย โดยย่อท่นก็สรุอเราที่ว่าก็คืออุปทานในขันห้าทั้งของเราและของผู้อื่นอุปทานในขันห้าของเราก็คือร่างกายเราของผู้อื่นก็คือของสามีของชั้นญของบุตรของพี่ดาของพ่อของแม่ของเพื่อนพอมีอุปทานว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นญาเรา เขาก็เกิดความอย่างอยากให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยอยู่เปน็นนานพอมีเหตุการณ์ที่มากระทบกับความกับความปลอดภัยของเขาก่สร้างความหวั่นไหวสร้างความความเดือดร้อนกจต่างนทั้หมดนี้ก็เกิดจากควาวิชาปรัชยาสังขารความเห็นผิดเนชอบความไม่เห็นว่า ไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราจัตเพยธรรมะอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างจัตตสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองธาตที่เห็นก็มีอยู่ห้าส่วนเห็นจริงๆก็มีสี่ส่วนคือดินน้าลมไฟธาตุที่มองไม่เห็นไม่เห็นแต่มันไม่มีอะไรจะให้เห็นก็คือธาตุอากาศส่วนธาตุที่มองเห็นยากที่สุดก็คือ ธาตุมีใจทรัพย์สินทั้งหมดนี้ก็มีธาตุทั้งหกนี้มาะสมกันบางสิ่งก็มีเพียงห้าส่วนบางสิ่งก็มีหกส่วนสิ่งที่มีหกส่วนก็พวกที่มีสิ่งที่ที่มีความรู้สึกนคิดคือพวกมนุษย์กับเดรัจฉานก็มีอยู่หกส่วนมีร่างกายก็ธาตุสี มีธาตุรู้ก็คือใจแล้วก็มีอากาศสธาตก็คือความว่างที่อยู่รอบๆตัวร่างกายนี้แหละและอยู่ข้างในร่างกายนี้ด้วยภายในร่างกายก็เที่ยวที่ตรงไหนเป็นช่องว่างตรงนั้นก็เป็นอากาศสธาตที่รู้จักหรก็เข้าไปที่อยู่ส่วนที่มันว่างอยู่ภายในร่างกายนั้ น, น ก, ก็มันก็จะมีอากาศสธาตอยู่ เถ้าส่วนที่อยู่นอกร่างกายที่ที่รอบร่างกายขนาดนี้ก็เป็นอากาศสระทาส่วนท่ารู้ก็คือใจที่มาเป็นเจ้านายของร่างกายเป็นเจ้าของร่างกายใจเป็นนายกายคุณบาปถ้ารู้นี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทํางานให้ไปนั่งมานี่ให้เป็นผูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้น รู้นี่เป็นทั้งผู้ที่สั่งนะเป็นผู้ที่รับรู้สึ่งต่างๆที่มาเข้ามาทางตะวานทั้งห้าคือเข้ามาทางตหาหูจมูกลิ้ <c oughs> นจามีคืออวิชชาปัญยาสังขารพอไม่รู้ว่าเป็นเพียงธานุก็ไปรู้ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราก <c oughs> ็เลยสั่งให้ทําตาม ตามตัวเราขอางเลาอะไรที่ทาให้ร่างกายนี้มันจะเริมันดีก็ดีใจอะไรที่มาทำให้ร่างกายนี้มันเจ็บมันทุกข์มันเดือดร้อนมันก็เสียใจก็เียเกิดตัหาขึ้นมากุงกามตัญหาภาวะตัญหาวิปภาวะตัญหาขึ้นมาปัญหานี่เราเป็นสมุทัย ตัวที่ตัวเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะอวิชาแล้วก็อุปทานแล้วก็ตกานหามันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เราพวกเราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ทุกทางใจนี้ก็เพราะสามตัวนี้อากาศร้อนก็นทุกเพราะว่าไม่ชอบเวทนาที่มันร้อน อยากจะให้มันเย็นก็ทุกข์ึน้นแต่ถ้ายอมรับความร้อนความร้อนก็ร้อนไปอยู่กับมันไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายมันก็ไม่ทุกไม่ต้องไปหาเครื่องปรับระกาศไม่ต้องไปหาวิธีอะไรต่างๆที่จะมาดับความร้อน อยู่กับมันไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายอย่างนี้ใจก็จะไม่ถูกเพราะใจไม่มีอุปทานไม่ได้คิดว่าตัวเราร้อนไม่ได้คิดว่าร่างกายร้อนร่างกายเป็นตัวเราไม่ได้คิดนะตัวเราไม่ร้อนตัวเราเพียงรู้ว่ามันร้อนที่ร่างกายแต่เราคือผู้รู้ไม่ได้ร้อนไปทําไมเรายังเย็งเพราะเย็นด้วยความสงบ เย็นด้วยปลดด้วยการปล่อยวางเย็นด้วยการเป็นอุเบกขาเวลาเป็นอุเบกขาเนี่ก็จะไม่มีตัณหาทั้งสามกามาตัณหาก็ไม่มีเพราวะว่าตัณหาก็ไม่มีวิภาวะตัณหาก็ไม่มีเฉยยังไงก็ได้ตามตามีการเกิด<ม>นี่แหละก็คือเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อที่จะสอนใจ ให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ติดในสิ่งต่างๆที่เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองคือธาตุทั้งหกธาตุดินน้ำลมไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้ถ้าใครเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถปฏิบัติตามความจริงได้คือปล่อยวางได้ ก็จะไ ม, ไม่ไม่ทุกกับอะาเพรา ะ, ะ, ะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากธาตุทั้งหกนี้ร่างกายของเราก็ธาตุหร่างกายของคนอื่นก็ธาตุหกบ้านก็ธาตุ้าสมบัติต่างๆก็ธาตุห้าตนนั้นเองดินน้ำลมไฟเพกต่อให้ก้อนโตเท่ากับกำ ม, มือมันก็เป็นเพียงธาตุตอนนั้นเองเป็นเพียงก้อนหินก้อน ที่เราไปสมมุติกันว่ามีราคาพอมีราคาก็เลยหลงกันหลงที่สมมุติแต่ความจริงมันไม่มีราคามันเป็นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่งหรือกระดาษที่เราพิมพ์แล้วพิมพ์เลขเข้าไปว่าเลขพัน 1, 000, เลขร้อยเลขพันร้อยนี่ก็เป็นกระดาษแล้วก็สมมุติว่ามีราคาเท่านั้นราคาเท่านี้นสมัยเป็นเด็กๆเรา ก, ก็เคยเล่นไพ่แล้วก็มีเงินปอม พอไม่มีใครก็เชื่อกันกันเวแต่เงินฟองของผู้ใหญ่นี้กับเชื่อกันเงินฟองของเด็กนี่ไม่เชื่อกันมันอ็เงินฟองด้วยกันทั้งคู่มันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนี่พอมีคนเชื่อมันก็เลยมีค่าขึ้นมาพอเราเอาเงินนี้ไปให้เขาขอแลกกับข้าวกับปลาอาหารเขาก็ให้เรามามันเป็นความเชื่อกันเั่านั้นเองอย่างในเงินของฝรั่งก็เขียนไว้แล้วว่า อินคอร์สวิาเราเชื่อพระเจ้าเชื่อว่าแบงนี้พระเจ้าเป็นคนเซ็งขึ้นมามีคุณค่าความจริงมันก็เป็นกระดาษเท่านั้นแต่เพราะว่าทุกคนยอมยอมเชื่อกันยอมหลงกันยอมรับกันว่ามันมีราคามันก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่มีราคาน้องไปหลงอยู่ในปลาหลงอยู่ในป่ายู่นีิ ไปเจอเพชร ก, กองเท่าภูเขามันก็ไม่มีประโยชน์ใดสำหับเราไปเจอกล้วยทักเหว่มันจะดีกว่าแต่เราไม่ใช้ปัญญายแยกแยะ ก, กันเราเกิดมาทุกเข้าสอนให้ให้ว่าเป็นอะไรเราเราชื่อตามมาเกิดมาก็บอกว่าร่างกายคนนี้เป็นพ่อร่างกายคนนี้เป็นแม่ก็เชื่อกันมานนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้อง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 เพราะว่าไม่ใช้ปัญญาหลงตามสมมติกันเขาให้ค่าคนนี้ว่าคนนี้มีราคาคนนี้ไม่มีราคาแต่ความจิงมันก็เป็นร่างกายเหมือนกันเป็นธาตุสี่เหมือนกันเป็นดินน้าลมไฟเหมือน น, นี่เรียกว่าปัญญาถ้าเราอยากจะรู้ทันกี่เลเราก็ต้องรู้ทันแบบนี้ต้องต้องพิจารณาแบบนี้ต้องมองแบบนี้ แล้วเราจะได้หลุดพลจากสมมติได้ทุกวันนี้ที่เราติดอยู่นั่นก็ติดอยู่กับสมมตินี่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราเอาการบ้านเรามาไปพิจารณาดูเห็นอะไรก็พิจารณาว่าเป็นท่า เราเราแยกแยะดูด้วย่ามันเป็นธาตุไหมมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นธาตุสีน้ำมูลไฟธาตุดินก็อะไรที่เป็นส่วนแข็งก็เรียกว่าดินอะไรที่เป็นเศษเหลวก็เรียกว่าน้ำโดยบางส่วนมันก็นมันก็มีทั้งธาตุดินธาตุ น, าน้ำผสมกันมันก็ข้นๆถ้ามันใสๆมันไม่มีธาตุดินอะไรืออาจจะมีน้อยมากก็ได้ เช่นน้าที่เราเดือดเช่นน้านแร่มันก็ยังมีธาตุดินอยู่เพียงแต่ว่ามันมีจํานวนที่น้อยมากจนแทบจะมองไม่เห็น น, นี่เขาเรียกน้ําแร่ได้อย่างไรต้องเรียน้ํากลั่นดิถ้าน้ํำกลั่นี้มันแทบจะไม่มีธาตุดินปผสมอยเลยพอาะเขากลั่นเอาแต่น้ําออกมาอย่างเดียวแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ ในส่วนผสมของท่าสีา่ท่าท่าที่รวมกันเข้าไปดังนั้นแล้่มันก็ไม่มันไม่เที่ยงมันยัง ม, มีการรวมตัวแล้วเดี๋ยวมันก็มีการแยกออกจากกันถ้าโดยธรรมชาติของมันมันอยากจะกลับสู่บ้านเดิมของมันน้มันอยากจะกลับไปเนเดิมกับน้าดินมันอยากจะกลับปเป็นเดิมกับดินเจงแต่ว่าบางทีมันถูก ถูกธรรมชาติหรืย ถ, ถูกปัจจัยอื่นมาบาังคับให้มันมารวมกันพอมันมารวมกันน้ำเดี๋ยวมันก็ย้องแยกกันเช่น mm hmm. ต้นไม้ที่มันโผล่ขึ้นมาก็เพราะว่ามีมันมีมเมล็ดอยู่ในอยู่ในดินแล้วก็มีน้ําเข้าไปเข้าไปในดินไปถูกมเมล็ดเข้ามเมล็ดมันก็เลยงอกขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีไม่มีน้ําต่อไปต้นไม้มันก็ต้องแห้งตายกันเอน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 ปัจจัยหรือส่วนที่บงังคับให้ธาตุสีนี้รวมกันนี้มันอ่อนกำลังลงสู้สู้ปัจจัยที่อยากจะแยกให้มันแยกออกจากกันไม่ได้มันก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่องกแก่ลงไปและในที่สุดมันก็แยกออกกันไปคนละทิศคนละทางน้ำก็ออกไปทางไฟก็ไปทางลงลมก็ไปทางดินก็ไปทาง ไม่ใีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของว่าให้ทุจารณานี้ไปเรื่อยๆล้วต่อไปจะปล่อวาได้เมื่อพร้อมก็ลองเอาไปปล่อยดูในทดสอบดูว่าปล่อยได้หรือเปล่าที่ไหนที่น่ากลัวน่ากลัวที่น่าจะมีอันตรายต่อร่างกายนี้ก็ลองไปดูนะักปฏิบัติตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล ถ, ถึงปัจจุบันนี้ต้องทดสอบกันทั้งนั้น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 พอมันปล่อยได้ครัก็จิบมันจะปล่อยมันจะหลุดมันจะแยกออกจากร่างกายให้เห็นนี่จิบมันจะลงเข้าสู่ผวางเข้าสู่สมาธิรวมเป็นอเอกตาลมร่างกาย ก, ก็อยู่ส่วนนึงแล้วหลังจากนั้นแล้วมันไม่มีทางกลัวกลับไปเพราะมารู้ว่าไม่เป็นอะไรร่างกายมันเป็นอะไรแต่ใ จ, จกลับสบายยิ่งสบายความมีร่างกายช่วยแล้จะไปกลัวตายนี่ มีมันแบบมันเป็นภาระมันเป็นทุกภาระหเวเพอจะหลับมันทิ้งไปได้แล้วมันใจมันจะสบายแรกการระหว่างร่างกายกับจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมนี้เราจะเอาอะไรถ้าถึงบอกวันนิพพานอยู่ซากกา ย, ยถ้าไม่ยามตายมันจิตมันไม่มันไม่ดิ่งลงสู่นิพพานไม่ดิ่งลงสู่ความสงบได้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นได้เราก็ต้องทํากันบ้าง้วยก่อน ต้องเตรียมต้องซองไว้ก่อนถ้าเราไม่ไม่ทำไม่มีไม่มีกำลังพอไปถึงแล้วมันทำไม่ได้มันก็จะสติแตงแทนที่จะเด่งลงสู่ความสงบมันก็เด่งสู่ความเป็นบ้าไปเลยก็ได้เพราะมันควบคุมกิเลสไม่ได้กิเลสนี่มันจะทำให้สติแต่จะทำให้เป็นบ้าไปเลยคนที่คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันก็นี่ก็มีส่วน เพราะยังไม่รู้กำลังของตนเองท่านถึงรังค้าให้คนที่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับพระอาจารย์ 105, รอย่น้อยห้าพันสากให้ศึกษา ว, วิทยายุทธ์ให้มีอาวุธคุ้มครองจิตใจก่อนแล้วค่อยออกไปต่อสู้กับกิเลสในสนามกตอนต้นก็ซ้อมกับอาจารย์ี้ก่อนให้อาจารย์นี้เป็นกิเลส คือตัวท่านนี่แหละจะเป็นคนยุอย่าทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาทําให้เรากลัวเราดูซิว่าเราจะโปองได้หรือไม่ถ้าเราโปองได้ไม่กลัวท่านขั้นต่อไปก็ไปหน้าถ้ายังกลัวท่านอยู่ท่านก็จะไม่ให้ไปคอนเทนท์บวชแล้วก็ไปอยู่เองเลยส่วนใหญ่ก็มักจะเสียหายไม่ไม่ค่อยได้ได้อะไรเ นอกจากคนที่เก่งจริงๆก็มีข้อยกเวน้นเช่นพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่มีแต่ว่าไม่มีอาจารย์ก็ไม่เฉยท่านก็ไปศึกษากับพระอาจารย์อื่นในเก่อ น, นีกันท่านก็ไม่ได้ไปอยู่ตามรมพังท่านก็ไปศึกษาตามสํานักต่างๆดนนการมีอาจารย์นี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉนนั้นพระพุทธเจา้าคงไม่บงังคับให้อยู่กับอาจารย์ถึงห้ารรษา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 ก็าอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็เชื่อไม่เชื่ออันนี้นก็สอนไปเสียเวลาดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่แรกเริ่มเข้าสูเ่เข้าสู่การปฏิบัติเข้าสู่การศึกษาก็ทำคำสอนของพุทธเจา้าเข้าสู่พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสงวางไว้เลยว่าต้องศึกษาก่อนปริ่ญาคือการศึกษาคำสอนของผู้ที่รู้เราไม่ใช่เป็นผู้รู้เรายัางเป็นผู้ไม่รู้อยู่เราต้องหาผู้รู้ให้สั่งสอนเราเมื่อเรารู้ว่าท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติไปจนกว่าที่จะ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 และผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องมีปรรยักษที่ถูกต้องเี่นเดียวกันมีคําสัสอนที่ถูกต้องที่ เ, เ, เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมเราจะศึกษากับใครสวากขาโตภะวตาธรรมโมที่เป็นที่ยอมรับกันได้ก็คือพระไตยปิฎกเชื่อว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการ ผ่านทอดมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันหรือไม่เะนั้นก็จะพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคูบาอาจารย์ผู้บรรลุมรรคผลที่ผ่านแล้วก็ต้องศึกษาจากบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นถึงจะได้สว่าขาโตพรวัตาธรรมโมทางที่ปถาคตตัดไว้ชอบแล้ว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 ไม่มีภารกิจอย่างอื่นมามาดึงไปแต่ถ้าเป็นคารวะคู่ครองเหลือนี้จะมีเวลาน้อยมากต่อการปฏิบัติกิจของภาษาสยัญชวันหนึ่งแทบจะไม่มีเวลาเลยถ้าไม่ถ้าไ ม, าไม่ตั้งใจจริงๆถ้าไม่กําหนดตารางไว้จริงๆ้วแทบจะไม่ไม่มีใครทากันเลยตืเช้าขึ้นมาประตารีตารางรีบ ไปทำงานทำมาหากินหงพอเย็นก็รีบตลีตาลานกลับบ้านเพื่อจะได้กินข้าวพักผ่อนนอนหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการดูหนังฟังเพลงหย่อนใจพักผ่อนย่อนใจเพื่อจะได้มีกำลังออกไปทำงานในวันรุ่งขึ้นต่อไปเท้านั้ น, น, นชีวิตของคารวาจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะปฏิบัติกิจของจารเสม ถามว่าคารวะกับบังเทิยนนีต่างกันหรือไม่ต่างกันเลก็มีฐานห้ามเหมือนกันมีกายมีใจเหมือนกันถ้าจะต่างกันก็ต่างตรงที่ว่ามีความใฝ่ธรรมมากน้อยต่างกันถ้าใฝ่ธรรมมากก็มีกําลังมากที่จะจะละเพศของคารวชได้แล้วก็ออกไปปฏิบัติได้ออกไปบวชเป็นบังเที <c oughs> เป็นนักบวช เลือกปฏิบัติได้อย่างเต็ที่แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติกลับมาทําเกิจของคารวามันก็มันก็ไม่ต่างกันเช่นบวชแล้วไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมมาแต่ทเกิจบุญบางสังส่วนเคยได้ยินไหมกิจบุญบางสังส่วน <c oughs> บุญก็คืองานบุญเช่นญากิโยมนิมนต์ไปทําบุญที่บ้านถรือการตัดไป แล้วก็มานั่งสวดให้ญาติโยมฟอนกันเสร็จแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็รับจัจุดปัะกายทายท่าแล้วก็กลับวัดเร้าวัด ก, ก็นอนพักผ่อนบายๆก็ถึงน้ําชากาแฟแล้วก็นอนเช้าก็ <c oughs> ก็ไปรับคิดนิมนต์มาหมลังก็ทานบ้างงานบุญบ้างบุญบางสังส่วนบางสกุล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 การสวดที่ท่านสวดเนให้ท่านสวดเพื่อการจาลึกเพื่อสืบท่าพระพุทธศานสนาคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าที่เขาท่องกันเยพระท่องกันนี้ก็เป็นเป็นอุบายสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งเป็นการสอนผู้สวดเองให้มีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนแล้วก็มีสมาธิด้วยเวลาสวดพระธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าคือการท่องเนี่ยไปในใจเนี่ยมันก็เป็นการภาวนา ทำให้เกิดสมาธิถ้าเข้าใจทางหมายก็จะเกิดสัญญานี่คือประโยชนที่ได้รับจากการสวนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่วนอีกส่วนก็เป็นการสืบทอดภาษศาสนาคือเป็นการรักษาอนุรักษ์คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แต่ส่วนนี้ไม่สำคัญเท่ากับการศึกษาปฏิบัต และปฏิเวสเพราะนั่นเป็นการที่จะอนุรักษ์พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงต้องเป็นธรรมที่ออกมาจากใจของผู้ปฏิบัติธรรมที่ออกมาจากใจกับการที่พระเจ้าสั่งสอนนี้จะตรงกันจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าศึกษาอย่างเดียวคือฟังพระธรรมคําสอนอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่ได้มีปฏิเวส ไ, ไ, ไม่ได้ปฏิบัติไมไ่มีปฏิเวสนี้จะสงสัย จะไม่แน่ใจว่าทาที่ได้ยินนี้ถูกต้องหรือไม่เป็นอย่างงัายจริงหรือไม่นี่มันจะมันจะไม่ถ้าถ้าจะอนุรักษ์ศาสนาด้วยการท่องบนอย่างเดียวนี้ไม่พอศาสนาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอนถ้าไม่มีการปฏิบัติเมื่อไหร่เมื่อนำหนักศาสนาก็จะหมดไปแต่ว่ให้มีการจาวึกพระตไตรปิฎกไว้ในระบบข้อมูลสื่อสารต่างๆ มันก็จะเป็นเพียงกับ ต, ตัวตัวหนังสือเท่านั้นเองที่คนอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจหรือบางเลยสงสัยไม่รู้ว่าพูดอะไรอย่างที่พูดถึงเรื่องท่าถกถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยศึกษามาก่อนความขั้นแรกก็จะต้องงอมทันทีท่าถกเป็นยังไงนั่งกายนี้มันเป็นท่าถกได้ยังไงแต่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจทันที พออ่านปั๊บเี่จะรู้ทันทีเลยว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรเพราะมันมีอยู่ในตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนธาตุนี้มันอยู่ในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพทเจ้าทรงสั่งสอนนี้มันเข้ามาในที่กายและใจของเราทั้งนั้นอารยสั์สี่มันก็อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่กายของเราทุกข์กระัเกิดแก่เจ็บตายอะไรที่เกิดแก่เจ็บตายมันก็ร่างกายน้อะไรทุกข์กว่าก็ใจทุกข์ พราไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวของเรานี่คือเรื่องของการที่เราจะอนุรักษ์ภาษาศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานก็ต้ อ, อนุรักษ์ด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวดังนั้นในสมัยโบ ร, ราณท่านสวดกันเพื่อเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้สวดด้วยเรื่องนี้เพือเหตุนี้ท่านสวดเพื่อกระดาษที่พิมพมีตัวเลขอาจาย์ไหมมันก็เลยเป็นเพียงการเป็นพิธีกรรมไป mm hmm. ได้อย่างมากก็ทานถ้าท่านเอาเงินที่ท่านได้มาเอาไปทำทางท่านก็ได้ทานนันเอง แต่ทางนี่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านท่านสละหมดแล้วรับสมบัติเข้าของเงินทองถ้าท่านราบวชเพิ่มมาหาเงินก็แสดงว่าท่านไม่ได้ห้งางทางท่านไม่ได้รำบวชตามแนวของผู้ที่บวชจริงๆผู้ที่บวชจริงๆต้องเ ข, า, ขาสละเขาไม่รำบวชเพื่อที่จะมาสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านมามาบวชเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมท่านจะได้มายุ่งกับไอ้เรื่อง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 มุสีตังบ ร, รมเถี่ยวหรืออย่างแล้วเกีดในพรหมจารินี้ได้เสื่อมสูญลงแะต่อให้ท่านได้เงินกองกองเท่าภูเขามันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะท่านรู้ว่ามันก็เป็นเพียงท่ากันนั้นเองเป็นเพียงกรารด่ากนั้นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่ท้องเดือดร้อนคนที่ไม่มีข้าวกินคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่อันนี้เป็นประโยชน์กับเขาให่กับตัวท่านมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งกายและใจ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 ถือทัาง เ, เป็นตัวอย่างไม่ได้ในเรื่องเงินเรื่องทองเห็นครูบาอาจารย์มีเงินมีทอง ม, มากเรามาบวชใหม่พั c, ก็อยากจะปมีเงินมีทามมาองเหมือนกับท่านนี้เราก็เราก็หลงทางเพราะการบวชของเราที่เราไม่ต้องการมาหาเงินหาทองเรามาบวชเพื่อที่จะหาธรรมหาการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเป็นงานขอ ง, ของนักบวชหรืองานของพุทธศาสนิกชนทุกระดับก็เหมือนกัน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 ใจความทุกข์ที่มันเผาใจเรานี้มันมากกว่าเยอะแต่เราไม่รู้กันเราเห็นเงินเห็นทองแล้วตาลุกวาวคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่เราหารู้ไหมว่าถ้าเราไปยึดติด ก, กับเงินไปเพิ่งเงินแล้วเวลาที่เราไม่มีเงินเราจะเราจะทำอย่างไรเราจะอยู่เฉยเฉยได้ไหยเราจะทนอยู่ได้หรือเปล่เราจะทนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองแล้วอยู่ตามภาษาของเราเราก็อยู่ได้ตามมีตามเกิดคนที่รวยนี่ยถึงทุกข์มากกว่าคนที่จนทุกข์ที่ว่ากลัวความจนกลัวจะจนแต่คนจนนี้มันไม่ดีมันไม่กลัวความจนเพราะมันอยู่กับความจนมาตลอดเวลาคนจนก็ทุกข์ตรงที่อยากจะรวยไั้เองแต่คนรวยกับทุกข์เพราะ อยากจะจนแล้วก็ทุกขอยากจะรวยกว่อๆอีกทุกทั้งสองด้านเลยทุกทั้งขึ้นทุกทั้งลงโดยแล้วยังอยากจะรวยกว่านี้อยู่แล้วก็กลัวจะจนนี่เห็นความทุกข์ว่าี้พูดอย่างนี้พอใจเห็นนหะม <c oughs> งั้นอย่าไปอย่าไปอยากรวยอย่าไปกลัวจนขอให้เราพอมีพอกินก็ใช้ได้ เหมือนกับพระีมีพอมีพ อ, พอกินไปวันวันก็พอแล้วถ้าตาบใดเราอยู่ได้กับปัจจัยสถ้าเรามีอยู่นี้ก็ขอให้เราพอใจแล้วอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองหรือรักษาเงินรักษาทองให้มารักษาใจเราดีกว่าด้วยการหาธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยด้วยการปฏิเวทพอได้ปฏิเวทแล้วใจของเราจะ ปลอดภัยจากทุกทุกทุกประกาศทุกภัยต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหานจะไม่มีเพราะไม่มีกิเลสตัณหาหงเหลืออยู่ในใจอยู่ตรงนี้ความสําคัญอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจที่จะอ่านตอนสุดที่ได้ชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วเท่านั้นภารกิจอย่างอืงอ่นนั้นไม่สําคัญ มีแต่เพราะมันไม่สามารถชำระกิตไมส่สามารถทําระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ช่องการปฏิบัติกิจของพระศาสนาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี้เท่านั้นที่จะทําได้ดังนั้นถ้าเราพอมีพอกิตแล้วเราควรที่จะหันมาปฏิบัติจิตของพระศาสนาให้เพิ่มมากขึ้นไปจะดีกว่าจะได้ไม่เสียชาติเกิด เพราะมนุษย์นี้เป็นชาติเดียวทั้งนั้นที่จะปฏิบัติติจสาสนาได้แล้วก็ต้องเป็นใ น, ในขณะที่มีคำสอนของพรจะพุทธเจ้าอยู่ด้วยต้องมีสวัสดค้าโตภคจวาตาตังโมงโดยเป็นปริยัติธรรมนำทางเราถ้าไม่มีก็จะปฏิบัติแบบผิดๆทุกทุก ก, ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงผลที่ถูกต้องได้ ดังนั้นพวกเรานี้ถือว่าโชคดีเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาเป็นมนุษย์ในขณะที่ยังมีสว่างค้าตัวจจตาต่างมูลถ้าเราไม่รีบตักตัวโอกาสนี้มันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเป็นเรื่องของของเราที่จะต้องพิจารณาและตัดสินใจเราเองโอกาสอย่างนี้มันจะมีไม่มากการจ่าตะกรับมาเกิด เป็นมนมุษย์แาเจอพระพุทธศาสนาพร้อมองกันนี่มั น, ม, นมันมีไม่มากมันยากดังในดังในทรรที่ท่าแสดงว่ามีเสียงที่ยากอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือการปรากฏของพระพุทธเจ้านี้เป็นเสียงที่ยากการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเสียงที่ยากการที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นเสียงที่ยากและการดํารงชีวิต อยูก็เป็นสิ่งกิริยาตอนนี้พวกเราก็ถือว่ามีครบทั้งสี่ส่วนนะสิ่งที่ยากเป็นมนุษย์ได้พบพระธรรมคาสอนได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายพูด ง, ง่ายๆก็ยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่สิ่งที่ขาดตอนนี้ก็คือการปฏิบัติเท่านั้นเองคือปฏิบัติให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้น ตอนนี้ก็ศึกษาปฏิบัติอยู่แต่เดินละครั้งนี่มันรู้สึกว่ามันมันน้อยมากถ้ากินข้าวเดินละครั้งอยู่เป็นอย่างไร <Okay. S 1> ทำไมไม่ไม่ศึกษาปฏิบัติเหมือนกับเรากินข้าวเรากินข้าววันละสามครั้งสามมือ mm hmm. เราหน้าจะศึกษาปฏิบัติวันละสามรอบร mm hmm. อบเช้ารอบกลางวันรอบเย็นรอบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงดูหนักหนา ต้องต้องอย่างนั้นสิร่างร่างกายมันอยู่ได้เพราะเราเลี้ยงดูมันอย่างดีแต่ใจเราไม่สาดเพราะว่าเราไม่ทําละมันเหมือนกับเราเลี้ยงดูร่างกายถ้าเราเลี้ยงดูร่างเราเราชำนาญใจของเราเหมือนกับเราเลี้ยงดูร่างกายใจของเราจะสะอาดกว่าเยอะ จะมีความสุขมากกว่านี้เยอะฉะนั้นก็ก็ขอให้เราจงเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังใ น, ในี้ไปพิจรารณาแล้วปฏิบัติตามแต่ที่จะเห็นว่าควรกันแร้วกันเกี่ยวกัตอะไร คุณนี่มีแต่หัวกะททั้งนั้นเลนสั้นาวมาบ้างไม่มาบ้างพวกหียมาประเทศโอ้ที่ไหนหัวสีขาวอ่เหรอทีสีขาวเนี่ยพวกเข้มค้น ไปเราให้ท่อาจารย์ฟังเด็กเล่ให้ท่อาจารย์ฟังด้ยท่าเบรมันลงเลยก็จอดที่สถานีนะคะเป็นสารแดงแล้วก็ยิงเข้ามาเลย ก็ถือว่าเป็นการเสนอเคาะไป็แล้วนหรือเป็นการทดสอบจิตใจเราก็ได้รายละเอียดอะรต้องรายละเอียดเไม่สนใจเราสนใจทีใจมากกว่าว่าเป็นยังไสิดีหรือเปล่าแล้วถัาถิติปัญญาตอนนั้นเป็นยังไงดอนอบก็ุโเียคิดว่าเอ๊ะจะตายแล้วเหรอไม่โปรงแล้ว่าตายเป็นตายนะจะพุทโทเหรอ ก็ยังอยู่แค่สมาธิแล้วก็งงดูเอ๊เราถือถุงขนมอยู่ในงานยอมปล่อยจะได้ขนมหรือวตอนที่ตนนั่งตุ๊กๆไปเขาหนีไปแล้วไปเจอตุ๊กๆุ๊กตุ๊กตุพาพาไปคลองเตยพอลงแล้ว เอาเงินตัวถามตุกตตุ๊ใส่ตุกตุ๊กบกเก็บสิบโขให้สองร้อยเลยช่วยชีวิตเขาไว้ตุบไม่ป้าเสิงสั่งงี้ทีเจอของจริงอะอย่างเงี้ยตอนที่เราฟังตอนที่เราพิจารณานี้เป็นการทําการบ้านครับเวลาไปเจอของจริงแล้วมันถึงจะรู้ว่าใจเราเป็นยังไงแต่เราผ่านหรืไม่ผ่าน ถ้าผ่านน้ำต้องเป็นเหมือน้้ำนี่มัไม่ไม่กระเพื่อมนี่เหมือนกันน้ำก็ชคอกแล้วล้อยู่ในเจ้าลูกเอลขวัญก็ลยขวัญหายเลยอะไรเอ๊ะคนทั้งานวิ่งช้าหัวเอยวิ่งช้ากัน ก็ถ้าเราพิจารณาอยู่เรว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสีนั้นก็บอกว่ามันก็เป็นธาตุสีมันก็เป่าไปนี่พังก็พังไปตา่างนไปปกติถ้าเป็นพิเศษอย่างนี้จะพุทโุอ้าธมันก็เป็นสมาธิน่นเป็นข่มขงมใจไว้ไม่ให้ไปไปคิดกลัวแต่มันไม่ได้เป็นตัญยา ถ้าไม่เป็นปัญญาไม่ต้องบอกว่าร่งกายไม่มีตัวเราของเรานตายเป็นตายันต้องตายแน่ๆถึงเวลาแล้วหรือออกไปเป็นไปถึงเวลาแล้วหรไปถ้าเราไม่เตรียมไม่ก่อนมันไม่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันจะไม่คิดอย่างนี้แต่ถ้าเราเตรียมไว้ว่าถึงเวลาแล้วหรือไปเลยไปเลยยอมไปเลย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 ใจใจไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่เดือดร้อนแล้ว เ, เป็นการหลบเพื่อการเพื่อเป็นการรักษาไปใจไม่ได้รักษาเพราะว่ากลัวหรือ เ, เพราะอยากจะอยู่ต่อไปก็ไม่เป็นไรเข้าใจไหยแต่ถ้าว้าแต่ถ้ารู้หลบเป็นอรู้หลบเป็นเปรีกรู้หลีบเป็นหามนี้เพื่อว่าเขายังกลัวเขายังเสียดายอย่างนี้ก็จำแนกมาใช้ไม่ได้ มันมันมันต่างกันอยู่ที่ใจต่างกันที่ใจแต่ไม่ใช่เพื่อความกลัวแต่เพื่อรู้จักรักษาชีวิตตนเองเพื่อให้รอดที่จะได้ทำงานตอนนีพบฉันของมือเดียร์ครับก็แสดงว่ายังไม่สอบก็ก็เพื่อกามปฏิบัติก็เพื่อจะให้มาถึงจุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วจะไปหนีมันทํำไรก็ต้องการจะเข้าห้องสอบตรงนี้อยู่แล้วถ้ายังจะนีก็แสดงว่ายังไม่พร้อมทีจะเข้าห้องสอบรู้หรือเปลใช่ไหม ขอผัดไปก่อนขอขอเรื่องไปก่อนขอไปเข้าห้องสอบมันต่อไปถ้าพร้อมจะเข้าห้องสอบก็เอาไปเลยตรงนั้นเลยดูดำดูแดงกันเลยจับใบดำใบแดงัเลยอีกตรงนีิาหลอกจะลอดไม่หลอดก็มอะไรยนี้จะครับอย่างว่าอย่าว่าเป็นคิดดีนะถ้า คือถ้ามันปล่อยได้แล้วมันทำยังานก็ได้มันจะมันจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่ปล่อยนี่มันยังไงงันมันก็ต้องรักษามันไม่มีออปชั่นถ้ายังไม่ปล่อยนี่มันไม่มีทางเลือกมันจะต้องรักษาอย่างเดียวมันต้องอกต้องบีอย่างเดียวแต่ถ้ามันปล่อยได้แล้วมันเรือกได้จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ไม่กัาวลแล้วแต่เหตุการณ์ครับแแล้วต่ อย่างกูบาลจ้างถ้ายัหาหมอก็ได้ไห่หาหมอก็ได้ถ้าท่านถ้าท่านไม่มีอะไรกับมันเนะแต่ถ้ายังมีอะไรกับมันอยู่ยังไงยังไงก็ต้องรักษาใช่ไหมให้มันอยู่ที่เราจับที่เราอยู่ตรงไหนเราอยู่อยู่จุดไหนเราผ่านยังไรือยังถ้าเรายังไม่ผ่านเราก็ยังเราจะต้องมีพ่อแม่ราต้องดูแลรักษาเนาะก็จะอ้างก็จะ ตามนั้นนะแต่ถ้าผ่านจุดนั้นไปแล้วมันมันยังไงก็ได้จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แล้วก็ไม่ไปไม่ต้องแปลที่บายให้คนหนึ่นงฟังไม่สนใจคนหนึ่งก็จะว่าเรายังไงก็ไม่เขนใจเราดุงอยู่ภายในของเราว่าเรารักษาเพื่ออะไรหรือไม่รักษาเพื่ออะไรคนอื่นจะมาบอกอ้าวยังยึดยังติดอยู่รึยึดเข้าว่าไปแต่เราดุจว่าเรายึดนึกเราย ức, ึดรือไม่ยึดนึกเรารู้อยู่แก่ใจของเรา เราไม่ต้องเป็นจะต้องไปไปเคลียร์กับเขาไปอธิบายก็ฝั่งว่า เ, ออเราทำนี้เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ันเรื่องของเราใจของเราเราจะทำอะไรกับร่างกายของเรา น, นก็เรื่องของเราข้อสำคัญก็คือขอให้มันปล่อยให้ได้ครับพอปล่อยได้ครั้งเดียวแล้วต่อไปมันก็ไม่เป็นปัญหา ถ้ายังฝอยไม่ได้มันก็ยังยึดพอพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปมั๊บเนี่ยปัญญามันจะไม่ทันในตัวมันมันเหมือนกับเป็นนักวิ่งสองคนวิ่งเข้าสู่หลักใจ mm hmm. กิเลกับทําใครจะเร็วกว่าทัน mm hmm. ทํางนั้นเอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นถ้าทําเร็วกว่าใจก็นิ่ง mm hmm. ถ้ากิเลสเร็วกว่าใจก็สั่น mm hmm. <laughs> เรื่องทีให้ฝึกก็ฝึกให้ให้ปัญญาให้มันเร็วขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ท่านคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆให้จิตมันให้จิตให้ปัญญาทํา ง, งานเหมือนเตี้ยวเลยให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นอโดยธรรมชาติของปัญญามันจะเฉื่อยชาในเริ่มต้นนี้เฉื่อยชามากต้องอาศัยการกระตุ้นของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเกตทางปัญญานี่ท่านจะ ก, กระตุนกก้นลูกศิษยทางด้านนี้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 แต่คนที่ระษาดอนก็อย <sana> ู่ไม่ได้บ้าอย่างนี้กันเยอะอยู่ทนไม่ไหวนับไม่ได้ถ้าเกิดเคยที่ว่ากิเลสมันดื้อตรงไม่ยอมใจไม่ยอมทำยังไงดจ๊ต้องสู้กับมันต้องทรมารดอดข้าอข้าวเกวันอย่างพระเจ้าสี่เก้าวันมันถึงมันถึงไม่ดื้อ เรอดสีเก้าวันนั้นพอมานั่งให้นั่งทั้งคืนมันก็ไม่ลุกมันก็ไม่มามันไม่เข้ามาไม่มาดื้อปวดข้านี่มันทําให้เกลียดอ่อนแรงลงไปเยอะเลยการมาตันท้ายนี่จะอ่อนลงไปเยอะเลยภาวะตันายที่ภาวะตันท้ายตามนี่มันจะอ่อนลงไปหมดมันจะไม่แข็งก้าเหมือนกับเวลาได้กินข้าว เวลาเป็นกินข้าวอิอ่มอย่างนี้มันดท้อฉะนั้นเรียงมันข้าวทานโยงกลมมาแม่ขอนว่างก่อนมันก็อยู่ที่ระดับของการแบบว่าบางท่านมันก็อยู่ในสถานที่ด้วยถ้าท่านอยู่ทุ่งคนเดียวแล้วท่านไม่ได้ไปบินระบาดก็มีแต่น้ำเดือดอย่างเดียวแต่ถ้าอยู่ที่วัดบางทีท่านก็มีนมบ้าง บางทีตอนบ่ายก็จะมีน้ําชากาแฟน้ําตาลน้ําอ้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรังก์ชนของผู้ที่จะอดว่าจะมีความเข้มงวดกวดขันกับตนเองมากน้อยเพียงไรเขาบอกอดก็หมายถึงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ฉันอาหารคือไม่ออกบินทบายไั้รับอาหารจากพวกอาหารเสริมี่ถ้ามีมีจะทำมิกะสงสารอามาฝาก เช่นมอามากล่อบหนึ่งอะไรอย่างนี้บางท่านก็ชงได้บางบานนี้ใครเอาน้ํำพึ่งมาให้ดืม่มหรือน้ําผลไม้มาให้ดื่มถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มได้ถ้าไม่อยากจะดื่มก็ไม่ดื่มก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะจะเอาเอาหนักเอาเบากันแต่มันช่วยได้มันช่วยทําให้การภาวนานง่ายๆง่ายขงานเดินจงกรม ง, ง่ายๆขึ้น นั่งสมาธิก็ไม่ง่วงเหน่อหันงอความภาพเพลินก็มีมากขึ้นความเกียดข้าวก็มีน้อยลงความเห็นภัยมันก็มีมากขึ้นสติสตางค์ก็ดีขึ้นเพราะว่ามันต้องคอยควบคุมใจเวลาปวนอาหารที่ใจมันจะปรุงแต่งทางอาหารอยู่เลยก็เลต้องคอยดึงมันให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าเราไม่พิจารณาไ้่ได้จะดึงให้มันอยู่กับพุทโธ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 เพรเวลาชันวันไหนวันชันวันที่ออกมาชันนี่วัา น, นั้นมันจะขี้เกียจเลยจะเห็นความความแตกต่างกันแล้วถ้านอยู่ในวัด น, นี่การอดอาหารมันก็ช่วยได้ยาช่วยมันทําให้เราปลูกวิเวกได้เราไม่ต้องไปทําเกตร่วมกับหมู่คณะที่ต้องออกไปบินฑบายต้องมาทําเกตที่สาลากว่าจะเปร็จก็หมวดไปสี่สชั่วโมงสาสีชั่วโมงตอนนั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มจงกรมนั่งสมาธิ ของเราได้อย่างสบายดีตามลงทางในที่พักของเราเป็น mm hmm. การการหลุดหายนี้ถ้าถูกเจริญแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีจะจะจะจ ะ, จะใช้เป็นเป็นอาวุธคู่กายใช้ไปจนกว่าจะไม่มีความจํำเป็นที่จะต้องใช้ทอยต่อไปแต่ถ้าไม่ถูกเจริญนี่ท่านก็ว่าอดไม่ได้อดเล้ว เคียดมีอดแล้วปรุงสร้างคิดปุงแต่งแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเลยนะไม่ภาวนาอย่าถ้าอดอาหารแล้วมันมันรู้ว่าถ้าไม่ภาวนามันพอมันเอยมันก็จะคิดถึงไม่อาหารมันก็จะหิวมันก็จะปวกมัจะขยันทอนนั่งสมาธิเจ็บลุกขึ้นมาก็เดินโจงกระต่าถ้าค คอยดูจิตคอยควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารจะใช้บ่อยการพึทโทรก็ไา้จะมีสติอยู่กับาการเดินก็ได้หรือจะพิจารณาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าส่น้ำลงไฟเกิดแกเ่เจ็บตายอธิจฐานทุกของอังละหนัาตาหรือจะพยายามหาหรือปฏิกูลณาสัญญาก็เปลี่ยนไปได้ตามอธิยาัยถ้าใจอยู่กับธรรมมันก็จะค่อยเจริญขึ้นไปเรื่อย พอพิจารณาจะรู้สึกว่าเจ็บเริ่มเริ่มไม่สงบแล้ว<ม>ก็หยุดกลับไปนั่งสมาธิใหม่พุโทโธพุธโทโธใหม่ดูดูลงหายใจใหม่พักจิตพอจิตสงบความหิวความเหน่ของทางร่างการก็หายไปพอจิตนีออกมาจากสมาธิคือกรปี้กระเป๋ามีกำลังวังชาก็ อ, ออกเดิงทงคงต่อนั้นก็จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพ่า ไม่ต no ้องไปทำกิจอย่างนี้กิจอย่างเดียวที่ต้องทำก็คือปัดกวาดปัดกวาดแล้วก็ปัดกวาดไปแล้วก็ภาวนาไปได้ปัดกวาดไปแล้วก็เหมือนเดินจงกลมไปพุทโธพุทโธไปนึอพิจารณาธรรมไปแต่ถ้าเวลาไปคุกคลีกับหมู่คณะแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้มันไปแล้วจิตมันฟุ้งแลพอกลับมาอยู่คนเดียวนี่มันยังฟุ้งยังคิดต่อ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 ที่จะมากระทบกระเทือนกับความอิ่มของใจแต่ถ้าใจนี้หิวถึงแม้ร่างกายจะอิ่มมันก็ยังมากระทบกระเทือนได้มันก็ยังอยากจะกินได้ ท, ท, ทั้งๆที่ร่างกายเพิ่งกินอะไรไปเส็จใหม่ๆหยดๆ ก, ก็ยังนึกอยากจะเดือดนั่งเดือดรีตต่อคิวอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเพราะใจมันไม่อิ่มใจมันไม่ได้อาหารไม่ได้ทํามะ นันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกสหรับผู้ที่ทอนาผู้ที่ปฏิบัติที่จะอดอาหารครั้งละหลา ย, ลายวันก็คนที่ไม่เคยทรนาจะคิดว่านั่นมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าหลายวันจริงจิงท่านก็อาจจะมีของอย่างหดื่มบ้างน้ํำตานะน้ําตาลองมบ้างอะไรอย่เงี้ยเพื่อให้มีกาลังบ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรท่านก็อดกัน ในป่าเวลาท่านไปนที่ดงเติดวิเวกอยู่องค์เดียวท่านก็บอกท่านก็ออก อ, อาหารอดจนกระทาง่งบังทีชาวบ้านที่ว่าตายแล้วยั่ไงไม่ได้ไปเบิยนบรรมะเพาะต้องมาดูที่พักหรือว่าเป็นยังไงท่านก็ไม่มีอะไรติดตัวไปท่านก็ดืนน่มแต่น้าอยู่แต่ตอนนั้นจิตของท่านไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องอาหารจิต ท, ท่านอยู่กับธรรมตลอดเวลาเรายังคงนั่งสมาธิถ้าไม่พิจารณาก็ ข้าสือความสงบจิตมัก็เลยจเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆตามลำดับการเจริญเรื่อยๆจิงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นถ้าไปคุกคีก็นี่มันจะเสียเวลาทันทีเพราะจิตมันจะเริ่มไปคิดทางด้านอื่นทันทีจะคุยเรื่องทางโลกกันที่ส่วนใหญ่แล้วก็คุ้งขึ้นมาตูงแต่เรื่อง ลูกเสียงเกลียดกันเก็ีย์ก็จะฟุ้งจะสนุกยากแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมามามาเดินไปถ้าเราอยู่กับธรรมอยู่แล้วมันก็จะอยู่กับธรรมอย่าต่อเนื่งมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไปเรื่อยเรืยนหน้าโนไปก็จะเห็นชัดขึ้นอสุภะอสุพังก็จะเห็นชัดขึ้นที่เห็นชัดก็แปลว่ามันเห็นต่อเนื่องมันเห็นอยู่เรื่อยๆมองอะไรมันก็จะเห็นเป็นธาตุมองอะไรก็จะเห็นเป็นอสุภะ จนกระทัามันติดตาติดใจพอมันจําไปไปเห็นในส่วนที่มันเป็นตัวเราของเราหรือว่าสวยว่างามมันก็จะถูกไอธรรมะที่มันเห็นอย่างชัดนี้มามาลบออกไปทันทีถ้าอย่างนั้นกิเลตหรือวิชาความหลงโมหะความหลงมันจะอยู่ในใจได้อย่างไรมันอยู่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงใหม่เราชอบคิดแต่เรื่องของ ของของความไม่จริงความจริงเราไม่คิดกันเราคิดถึงความสวยความงาม น, นี้ก็เท่ากับเลี้ยงโมหะอาวิชชาลนะเราคิดถึงตัวเราของเรานี่เราก็เท่ากับเรากําลังเลี้ยงโมหะเี้อวิชชาลนะเลี้ยงความมืดปอดเลี้ยงความหลงของเราแต่ถ้าเราคิดถึงอนาาัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะเป็นปฏิกรูนันนแหละเป็นความจริง อันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะไปทําลายความหลความมืดบอดที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปไม่มีทางหรือมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่ปัจจานาหรือปัญญาแต่มันต้องมีสมาธิมันถึงจะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่มมันก็จะไ่สงบแล้วมันไม่ไม่สงบกีเบลมันก็จะมีกําลังมากกว่ามันก็จะจุดล่างให้ไปคิดในเรื่องของทางโลก คิดถึงลูกคิดถึงตัวเราคิดถึงสามีคิดถึงธรรยาคิดถึงสมบัติข้าวของเงินทองคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องอยู่ยุ่งอยู่กับเรื่องราวเราไม่ก็เท่ากับเลี้ยงกิเลให้มีอายุต่อยุ่งให้กิเลสต่อยุ่ให้งองหาทางให้มีอายุยืนยาว ง, งานขึ้นเพื่อที่จะมาครอบครอง จ, จิตใจของเราต่อไปแต่ถ้าเราคิดในทางกัมยานี้มันก็ต้องตัดตัดอายุมันตัด ตัดชีวิตของมันให้สั้นลงไปเรื่อยๆให้สั้นลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเนี่ยสติปัญญาสมาธิเนี่ยเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วก็มีศรัทธากับวิริยะเป็นตัวสมบูรณก็มีจัดทานในคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามโดยวิริยะความอุตสาหความภาคี ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเนี่ยสาตัวนี้ถ้ามีสามตัวนี้ก็จะมีมิมุติตามมามีตามหลุดท้องต่างหากหอมันตายตัวเป็นเป็นสูตรตายตัวมีมาตังแต่สมัยพระพุทธการใครปฏิบัติตามสูตรนี้รับรองได้ก็จะตั้งได้ของอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะมีจะไม่ปรากฏในพระอาริยสงฆ์เจ้ามีมาเป็นยุคเป็น เป็นสมัยต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้เพราะธรรมะเป็นอาการวิโกเ ป, เป็นคำสอนที่ตายตัวไม่เฉื่อยไนตามกาลตามเวลาสมัยก็พิจารปฏิบัติกันอย่างไรสมัยนี้ปฏิบัติอย่างนั้นก็จะได้ผลเหมือนกันไม่มีความแตกต่างอยู่ที่มันไม่ปฏิบัติกันนั่นแหละหรือปฏิบัติเพียงแค่เดือนระเท่าแล้วก็บอกปฏิบัติมากแนละ้วไม่ก้าวหน้าเลย ทำไมไม่ก้าวหน้าเลยปฏิบัติมาต้องงานแล้วใช่ถึตุงานแต่เดือนละครังปฏิบัติมาตั้งห้าปีแล้วปฏิบัติร้อยปีมันก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีหรอกก็มีแต่ความพยันนี่แหละ <c oughs> ความที่เกลียอ <c oughs> ความพยายามน่ะกำหนดตารางไว้เสร็จบังคับตัวเราให้ทำตามตารางตอนต้นก็กําหน ด, ดจากน้อยไปหามาันวันหนึ่งเช้าเย็นเอาสักวันละชั่วโมงก่อนแล้วต่อมาก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงกันได้หรือเพิ 3, ่มสามเป็นสามรอบจากสองรอบ ก, ก็เป็นสามรอบ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 และอยู่ในความสามารถของเราของทุกๆคนด้วยเฉ่นั้นพระพเจ้าจะเสียวลา ม, มาสอนพวกเราถึงแต่พวกเราไม่มีความเชื่อมั่นในคำสอนของท่านหรือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราเราประมาทในตัวเราเราประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจรึงไม่มีความอิจฉาห่าภาคเพียงที่จะปฏิบัติตามเรายังถูกเกลเลอเหราว่า เ, เราไม่มีปัญญาพอไม่มีบารมีพอ มันก็หลอกเราไปเรื่อยๆถ้าเราถ้าเรายัางคิดอย่างนี้อยู่เอกสิิ์ชาติมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามได้ขอให้เราทําจริงๆเถอะเท่านั้นเองครับค่ ะ, คะ เ, เสร็จแล้วอย่างเวลาที่เราปฏิบัติ พอเราทำสมาธิจนกระทั่งเรารู้สึกว่านิ่งแล้วเราก็พิจารณาอากาศีสอ2 การของจิตเนี่ยมันจะสรกดสภาวะแล้วก็เราก็ร้องไห้แบบเกิดทุกครั้ง <c oughs> แบบนี้เนี่ยแปลว่าจิตเราเศร้หมอง ห, หรอคะไม่หรอกมันดับจฉลี่ความจริงเราปฏิบัตินี้ <c oughs> เราต้องการที่จะถ้าถ้าอยากจะเห็นผลที่จริงต้องอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่า <c oughs> เวลาที่ร่างกายมันเป็นอะไรแล้ว เ, เราปล่อยมันได้อันนั้นแหละถึงจะเป็นเป็นเป็นผลที่จริง เวลาที่มันรู้สึกอะไรนี่แต่มันยังยึดติดอยู่มันก็เป็นเหมือนกับมันหลอกเราหมือนมันดับจริตนะขออภัยนะถ้าพูดอย่างนี้แต่ความจริงหมายคถาว่าสิ่งที่เราพิจารณาไี่เพื่อที่จะให้มันปล่อยวางให้ได้ให้มันไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นเลยให้มันสลับออกไปจัดใจเหมือนโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งทั้งขยะไปเลยแล้วเราต้องทำยังไง ก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามไปหาไปสร้างเหตุการณ์ที่จะทําให้มันเกิดความความที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเรายัางยึดมันเรายัางติดมันอยู่หรือเปล่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่าเป็นตอนที่เราเป็นเพียงเป็นการทําการบ้านอยู่เราซ้อมอยู่เรายังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงถ้าเราคิดว่าเราพร้อมแนละ้วเหมือนนักมวยเราพร้อมมาเต็มที่แล้ว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 ก็ไม่อาจจะไม่สติตแต่อาจจะใจสั่นควันหายไปก<ม>็แสดงว่ายังยังยังดักเขาไม่ได้<ม>ถ้าดักเขาได้แล้วเราก็จะเช้เราจะยิ้นจะมีความสุข<ม>พระอาจารย์คะแล้วบางทีเวลาที่เราปฏิบัติ อ, อยู่จิตนิ่งนะคะเออมันก็จะมีแบบอารมณ์ที่มันแบบว่าเป็นสัญญาที่เศร้าหมอ ง, งเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากจิตนิ่งเราก็เลยเห็นว่ามัน มันมันอารมณ์กับจิตมันไม่ได้แนบกันมันดูดูอยู่นะคะแล้วเราก็ดูมันดับดูดูเกิดดับนะคะพระอาจารย์อันนี้ว่าเออ่ถ้าเราก็เห็นมันเกิดดับแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับมาใหม่อีกแล้วก็ดูมันอีกอย่างนี้ยถ้าสมมติเกิดเราตายตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราดูความเจ้าหมองนี่จิตมันเปนจะไปไหนนะที่ตอนนั้นมันจิตมันไม่สงบนะมันไม่จะเป็นสมาธิ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 อาารย์ถ้าแต่ถ้าเราจะดูเกิดดับมันนี่แล้วเราก็ต้องตามดูใช่ไหมคะคือความจริงเราไม่ต้องดูมันถ้าเราทําสมาธิเราต้องกไม่ต้องการให้มันดีเลยเราควรจะกลับมาบริกรรมต่อเรื่องดุลมต่ออย่าไปดูถ้าดูแล้วมันก็จะมันก็จะเผลแล้วจ ะ, จะไม่ได้เป็นการทําสมาธินอกจากเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราเราเห็นอารมณ์อย่างเนี้ยเช่น พอเห็นภาพอะไรขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเรามีสติพอเราก็ควรจะพิจารณาระดับมันไปอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาถามว่าทําไมเราต้องมีอารมณ์นี้กับภาพที่เราเห็นเราพิจารณาหาต้นเหตุถ้าหาหาเหตุพวกเราก็คือเราไม่เห็นตายรักนั่นแหละเราอาจจะมีความรักความหวงความห่วงพอเห็นแล้วก็หมดที่จะห่วงไม่ได้ก็เกิดอารมณ์เศร้าหมองขึ้นมา ถ้าเรามีปัญญาลูกทังบอกไปห่วงอะไรไปหวงอะไรเดี๋ยวก็ต้องตายด้วยกันทุกคนมันก็จะหายเศร้าหมองได้ที่ถ้าในในใ น, ในกรณีถ้าเราจะพิจารณาต้องพิจารณาแบบนี้ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงที่ใจลักให้หมต้องพิจารณาหเห็นว่าเขาเป็นใจละไม่เทียเท่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับใจถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะเกิดความเศร้าหมองหรือเกิดความดีใจเสียใจ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 คิดว่าเขาเป็นลูกเราเป็นสามีเราแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาก็บอกเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเขาต้องเกิดแก่สิ้นตายเป็นธรรมดาที่เป็นเราเป็นลูกเราเป็นสามีเราเนี่ยเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือเขาเป็นเพียงธาตุเกิดินน้ำลมไฟที่จะต้องแต่ต้องแยกต้องสลายดับไปในที่สุดต้องเห็นความจริงต้องเห็นความจริงที่เหนือสมมติ เราไปเห็นแต่ความจริงของสมมุติเราไม่เห็นความจริงที่เป็นวิมุตติเราต้องเห็นความจริงที่เป็นวิมุตติจิตถึงจะวิมุตติได้ถึงจะหลุดพ้นได้แต่เห็นความจริงก็คือเห็นว่าเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเรียกว่าเป็นเห็นความจริงที่เป็นที่เหนือสมมุติที่ไม่ใช่สมมติแต่เราชอบไปเห็นความจริงที่เป็นสมมติเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นอาจารย์ เป็นลูกเป็นสา ม, มีเป็นภรรยาไม่เห็นว่าเป็นดินน้ำนุ่นไส่ไม่เห็นว่าเป็นนิจจังทุกขงังนักตาพอคิดถึงเขาหรือเห็นเขาปั้มนี่นก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีไม่รักเกิดชังไม่ดีใจก็เสียใจหรือบางทีก็เฉยเฉยแต่ไม่ได้เฉยเฉยเพราอุดรครับเพราะว่ามีความรู้สึกเฉยเฉยกับเขาไม่ได้รักไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเขานั่นก็เลยเฉยเฉย อันนี้ไม่ใช่อุเบกขาไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เกิดจากการปล่อยวางถ้าอุเบกขาเกิดจากการปล่อยวางก็เห็นว่าเขาเป็นเพียงดินปปน้ําลมไฟเกิดแก่เจ็บตาอันนี้จังทุกการหน้าตาแล้วใจก็จะนิ่งเลยจะเห็นอะไรก็เฉยเฉยท่า น, นแก้วถ้าอย่างนั้นาการพิจารณาแบบนี้เราพิจารณาได้ตลอดเวลาแม้ในทุกเรื่องคื อ, คอเข้ามาอยู่ในนะ แ, แต่ตอนนี้ มันต่างกับการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราพิจารณาอย่างเฉพาะทันนั้นได้นั่นเหมือนการทําการบ้านซอมกันไว้ก่อนคนี่เป็นการเข้าสนามสอบจริงเวลาไปเจอใครแล้วก็ด่านม่าวางยิ้ได้เป่าใช่ไหมเรัเป็นถ้าเกิว่าเสียงเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วแบบเป็นอนี้การทุกขังอนั้ต่างก็เท่านั้นเอง คือเนปัญญามันมีสาขั้ น, นปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยตอนนี้เรากําลังฟังกันอยู่เนี่ยกําลังกำลังได้ปัญญาระดับหนึ่งแล้วปัญญาระดับที่สองก็คือเอาไปทําการบ้านเอาไปช่วยงานาค่าควรซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมด่าเราไม่ชอบคำด่าเลยด่านในใจเราเรื่อยๆด่าให้มันติดใจจนกระทั่งรักชอบคําด่า น, นั้นแล้วต่อไปเวลานได้ยินเสียงด่านั้นจะได้มีความสุขการที่จะไปทำทุกอยางแล้ว <c oughs> ก็ไปทดสอบดูว่าเนี่ย ปัญญาขันทสาก็เรียกว่าภาวนาเราก็ด่าเราปั๊บเรายิ้มอ้อชอบชอบเส้นด่าอย่างนี้ก็จะผ่านไดาะ้เราต้องกินของที่เราไม่ชอบกินย่ต่อไปเวลาครชอบหยิบของที่เราไม่ชอบกินากินเขาก็จะเฉยๆถ้ากินยา้อะไรก็ตึงาม่เดอดร้อน้มสุตมัจปัญญาจินตามัจจปัญญาแวภาวนามัปัญญา ภาวานาไม่รักสัญกคืออยู่ในเหตุการณ์จริงเจอของจริงเข้าสออาานามสอบยังไม่เอาเป็นภาว่าไม่รักสัญญา้องทันต้องทันกับเหตุการณ์ต้องเป็นปัจจยื่อทันเดืวดพอเกิดพวกรับได้ทันทีคือเหนื่อยพอมารับ๊บดับได้ทันทียัเไม่อาเป็นภาวานาไม่รักสัญญ แต่ถ้าเป็นจินตาเนี่พอไปเจอของจริงเนี่ยสตุจะได้ก็เพิ่มเรื่มหมดเลยศึกษาซ้อมมาถ้าเป็นชาติตาโกรกรอย่างเป็นที่เนี่ยเป็นการทดสอบปัญญาเราเนี่ยเราจะรู้ว่าปัญญาของเราอยู่ขัานไหนอยู่ข้านจินตาและอยู่ขัานภาวนา ถ้าอยู่ตั้งกำนานแล้วอะไรก็ได้รับได้ทุกลูกเลยจะโยนมาย่างไงต้องต้องทันต้องรู้ว่าเป็นตายแล้วรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางไม่ยิดไม่ติดทีนี้อุบายที่จะทำมาให้มองเห็นทีนี้แต่ละคนก็ต้องไปคิดคนเอาเองบางคนก็มองว่าเป็นเหมือนเด็กคนนี้เป็นเหมือนเด็กไปถือสาไปทำไม มันจะทําอะไรก็ปล่อยแต่เวลาเด็กเล็กเราไม่เราไม่เดือดรอนขอทองใช่ไหมเด็กมันจะงองไงมันจะดื้อมันจะอะไรแล้วก็อย่างนี้ทำไมกับแฟนเรากับเจ้าเรากัภรรยาเรากับทํำไมดูเขาเป็นเหมือนเป็นเด็กไม่ได้ถ้าดูเขาเป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนก็ปล่อยก็ไปเราอยากจะทําอะไรก็ปล่อยทําบายดิบแค่นี้เราต้องหาอุบายของเราเอง อุบายนี่ท้องแต่ละคนไม่เหมือนกันชื่สอนนี้เป็นเพียงของเป็นหลักเท่านั้นเองแต่การดําเนินการที่จะ่าใช้ปัญญานี่ท่ารอกว า, านักร้ายคนการดูวัุภาพนี่ท้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปหาดูว่าอะไรเห็นแล้วมีต้นแุภาพขึ้นมาจริงๆมันก็มันก็เป็นอุบายของเะ ปัญญามันถึงหลากหลายสมาธินี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหลากหลายนะสมาธินี้ตรงไปตรงมามีจิตอยู่กับอารมณ์ดิ้นจิตให้เข้ารวมเข้าสุดสมัยจิตแต่ปัญญานี่โอ้มันมันหลายขั้นหายตอนและหลายลหลายหลา ย, หลายระดับด้วยส่วนกลางส่วนหยากส่วนละเอียดส่วนหยากก็ส่วนภายนอกรูปเสิ่งจิตนิพพตตะละส่วนส่วนกลางเข้ามาก็ขำห้า สัวนที่เดือดเข้ามาเข้าจุดมันที่เดที่มันต้อนอยู่ทุกทุกคนบูประทางซื้อตัหานในส่วนใหญ่ก็ยังเดือเห็นรูป ก, ก็เกิดอาการอารมณ์อย่างได้ล้เห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะซื้อมากถ้ทาท่านนี่ไม่ควรเป็นมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้เห็นมือถือเรื่อนใหม่ออกมาต่านนี่อยากได้รุ่นเก่าไม่มีทางไหนก็แค่เหตุผล ของวันน uh, to hmm. ้ต้องใช้เหตผของวเรามีของเก่าแล้วใช้ได้อยู่ก็ไม่จําเป็นก็ความสามารถต่ำเราะวปัญญานี่มันมีนะท่านท่ายาถายนอกท่านท่านกลางก็ท่านขันขันห้างห้างกาของเราเวทนาปัญญาสั้งขาทุยยาท่านละเอียดก็คือจุด จิตที่อยู่ของของที่เลสที่ละเอียดที่สุดก็คือวิยาแต่ไม่ต้องจับภายนอกกับมันถึงจะเข้าเข้าสู่ภายในได้ mm hmm. ตัวนักบวชนี้ก็ตับภายนอกได้เ mm hmm. ขาจับรูปเจติตัวโสดาภัสสระท้ะ า, าสมบัติเจ้าของเงินทองเ mm hmm. ขาก็ตรงมาอยู่ที่ขันห้าหรือเจนายหน้าเนื้อร่างกาย แล้วเมืจิตสงบกมื่อปล่อยปล่อยปล่อยพันกลางไดนะ้นมันก็จะเข้ามันก็จะเข้าสู่ไปในตัวจิตมันก็จะไปเจอไอตัวที่ละเอียดที่สุดที่อยู่ข้ายในจิตไม่ใช่เรื่องปฏิบัติแล้วก็จะดูจิตแล้วจะไปชำระเกลียดในจิตนี้ไม่ทํามันเนะ่ยคือสติปัญญาระดับของผู้ที่เริ่มต้นที่ยังจิตอยู่กับลูกเสียงเก่งก็นกม่จะไปดูจิตมันจะได้เยก็โดนมันหลอกให้ ดูจิตปั๊บพอมันบอกให้ไปซื้อแจ็คี่มาดื่มก็เป็นหนึ่งพอบอกให้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวมันอ้วดูจิตจิตได้เป็นไรจิตสบายทําไมยังไม่สบายจิตมันชอบบอกให้จิตไปเที่ยวบอกให้ไปเที่ยวจิตมันชอบจะตายดูจิตจิตก็ดีอย่างเงี้ยใช่การดูจิตนี่ก็ ก็ดูได้แต่ดูเพื่อที่จะเป็นการสร้างสตินี้ได้อยู่ให้มีสติตอยู่กับใจของเราให้ดูว่าใจของเราคำทําอะไรแต่ถ้าจะไปปราบกิเลสที่มีในในจิตตอนนั้นยังไม่ยังไม่มีกําลังพอแต่เพียงแต่ว่าให้มันเป็นที่ตั้งของสติตได้อยู่ให้เราให้เรารู้อยู่ว่าตอนที่เราคิดอะไรอยู่แล้วคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีเราก็รั บ, บเสีอ ถ้าเราไม่กําลังบริกรรมพุโทโธอยู่นั่นแสดงว่าเราคิดไม่ดีแล้วถ้าเราอยากจะใช้ใช้ใช้พุโทโธเป็นเป็นเป็นทางของสมาธิเราก็ต้องบริกรรมพุโทโธทั้งวันนั่นจะเป็นจนหลับเลยแต่เราดังที่เราดูจิตแล้วมันไม่ได้มีพุโทโธนี้นก็แสดงว่ามันใช้ไม่ได้เราก็ต้องให้เหมือนบอนริกรรมพุทโธต่อย่างนี้ต่คงหามคือการดูจิตด้วยการดูจิตในสติ ป, ปัฏฐานท่านหมายถึงอย่างนีน้ให้มีสติอยู่สจิต นึกจะอยู่กับอาจารย์สายสิบสองก็ได้วันทั้งวันให้พิจารณาแต่อาจารสายสิบสองผมขนเล็ดฟันหนังเลือเองก็ดูดูจิตว่าตอนนี้พิจารณาหรือเปล่านึคิดถึงเรื่องสวยวยๆ ง, งานันนนัีน่คือการดูจิตใช้จิตเป็นที่ตั้งของของสติเป็นที่ปัจจัยอนสติ ตอนนั่นก็นให้ให้ตั้งสติที่กายมันง่ายกว่าเพราะกายนี้มันชัดเห็นได้เห็นได้ด้วยตาอยู่กับเราตลอดเวลาเอาเอาเอาใจเอาจิตนี้ถูกไว้กับกายกายอยู่ตรงไหนจิตให้ให้ใจรู้วยจิตนี้อยู่กับกายไม่ให้ไปอยู่ที่ไม่ใช่กายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางนานให้อยู่ที่กายตลอดเวลา กายกําลังเดินอยู่ก็ให้เดินไปกับกายกายกําลังรับประทานอาหารก็ให้รับประทานอาหาราาาาหาไปกับกายกายกาลังอาบน้ําก็ให้อาบน้ําไปกับกายให้อยู่กับกายจะตลอดเวลาอย่างนี้แล้วต่อไปจะมีสติเพราะใจไม่ไม่ไปที่อื่นพอต่อไปบอกให้นั่งเฉยๆแล้วให้ดูลมแล้วให้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมถ้ามันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่งานห้านาทีสิบนาทีมันก็วุบลงไปนะ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 นั่งงานสักเท่าไหร่พอออกมาแล้วจิตก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิก็จะไม่มีกําลังที่จะต้านกิเลสพอออกมาเห็นรูปเห็นสิ่งแล้วก็จะกิเลสก็จะออกมาทํางาน ท, าทันทีแต่ถ้านั่งด้วยความสงบแล้วไม่ไปรับรู้อะไรเลี่ยงอยู่เวลาออกมานี่ความเลี่ยงๆยังจะมีกําลังมากพอที่จะต้านกิลลเลได้เวลาเห็นอะไรก็จะไม่เกิดกิเลสบูชาขึ้นม า, ท, าทันทีทนันใด ก็จะมีเวลาพอที่จะเอาจิตที่สงบนี้ที่ไม่มีกิเลสมาลบกลวนนี่มาพิจ า, า, าจรณาทําได้มันจะเริ่มวิปัสสนาได้แต่พอจะวเรีไปได้ชั่ระยะหนึ่งพองพอความสงบนี้อ่อนกําลังแล้วกิเลสก็จะเริ่มมาบลบกลวนเราจะเริ่มพิจารณาไม่รู้เรื่องแ ล, แล้วเริ่มมีการเถียงกันแล้วแล ต, ตอนนั้นก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปทำสมาธิในสมาธิับปัญญาด้วยวิปัสสนาจะสนับกันทํางา น, น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 พิจารณาขัห้าพอมาพิจารณาแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ประโยชน์นะเราไม่เป็นเหตุเป็นผลนะเราก็หยุดแล้ว เ, เราก็กลับมาพักจิตในสมาธิไปพอจนกระทั่งจิตเองตัวลราถอนออกมาเองเราก็ออกไปพิจารณ า, าไปถ้ารับกันทําไปเรื่อยเรื่อยแล้วปัญญาก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจะจะวัยขึ้นไปเรื่อยเื่อจะทันสุเดชขึ้นไปเรื่อยเพอความคิดหลายที่ไม่ตรงกับความจริงนี่มันจะเห็นทันทีเลย เพราะว่าสวยว่างามมันก็จะเห็นทันทีพออยากจะอยู่เป็นามงามันก็จะเห็นทันทีพออยากจะไม่เจ็บไข้ได้ปวนมันก็จะเห็นทันทีล้วมันมันจะตัดกันได้พอเห็นทันรูปปร้ปั๊บรู้ทันปั๊บต่อไปมันก็จะไม่เกิดต่อไปนันก็จะเป็นธรรมชาติมันก็จะเป็นธรรมดาจิตนั้นก็จะปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาของธรรม เราเสียเงินเรื่อยเลยเรื่อยๆนะครับน้ำเสียไปนะครับ ผกตินะนอนนอนนอกับทุกตัของร้นนีน ย, ย้อนใจก็พอจร้อนจคนในเมืองรนะ้อนใจยทใจกันไม่ได้ เท่าสนามสองเลยไมว่าถ้าตอนนี้ถ้าหนูจะเป็นแบบนี้ถ้ากลางคืนแล้วเราเป็นนั่งนอนก็จะได้คือามใจตัวเองถาใจตัวเองเราเรากำลังเรามีมากน้อยเท่าไหร่ต้ต้องต้องดูใจตัวเองนอนค่อยๆค่อยๆขยับไปนนนไมันต้องรีบนอนใจเย็ข้าวไปด้วยความมั่นใจน อยรีบร้อนเดี๋ยวอาจจะผิดพาดได้ถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าลพิ่งมองไนให้ความอยากแต่มันยังถ้าเรามั่นใจเราก็ออมได้คอ แล้วมันทําไมไม่พอใจเลยผู้ที่เหตผลอยางนี้แล้ควรจะปฏิบัติใจยังไงช้าคะคือทุกเรืีดีที่สุดนนี้ก็อย่าไปฟังเลยเพราะเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นภาพหรวงได้เราไปติกอยู่กับไอ้ฝ่ายนึฝ่ายเรื่องนั้นเรืเราไม่เห็นภาพรวมว่ามันมันได้จาระทั้งสองฝ่าย คือการทะเลาะกันกนมองภาพรวมแล้วมันมีแต่ความเสียหายเหมอนที่พระพุทธเจ้าต้องตกไม่เวกไปอยู่องเดียวเพราะเล่สงฆ์ทะเ ะ, ะ, ะกันไม่อยอมฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าหลวนหยุดทะเลาะกันไม่อยอมพระพุทธเจ้าเลยแคต้องไปอยู่กับช้างกับหมีเพราะการทะเลาะกันกนี่มันไม่ไดฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดมันผิดด้วยกันทั้งสองฝ่า หลวงตาท่านก็มีบทบรรยัติอยู่ในวัดอยู่แล้วว่าถ้าใครทะเลาะกันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ต้องออกไปด้วยกันทั้งคู่เพราะมันทําลายทําลายความสนงบทําทลายสถานที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างคนทะเลาะกันงั้นเราต้องถือหลักอุเดกขาคือเราต้องวางเฉยเขาจะยังไงก็เรื่องของเขา เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปยับยัง้งไปหยุดยั้งเขาได้ในช่นนี้ใช่หรือของเราเพราะทางบ้านเมืองเพราะก็มีคนที่มีหน้าที่ก็ปล่อยเขาทําหน้าที่ของเขาไปแต่พวกเราก็เพียงแต่สร้างอยู่ในความสงบอยากไปทําให้เหตุการณ์ที่มันเลให้มันเดินไปมากกว่าที่มันจะเป็นเราก็อยู่ของเราไปดูแล เป่ยนต่างๆของเราไปทําหน้าที่ของเราไปคนไหนอยากจะเผาบ้านต่อเมืองก็ปล่อยให้เจาหน้าที่เขาดูแลของเขาไปมันคือมันเหมือนกับรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ทําถ้าทํำอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้ทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีสัือเปล่าหรือการโลภการทำนี่แหละนื่อหละใการทําตัวเป็นพลเมืองที่ดีก็คือไม่ได้เหยียบย่ำ ร่อนมืให้บอกช้งมากกว่าเดิมช้างตัวเดียวเหยียบเหยียบพื้นมันก็หนักพอแล้วเอาช้างสองตัวไปเหยียบมันก็ยิงมันก็ยิ่งบอกช้งมากมากกว่าเดิมเมืพอดีช้างตัวนั้นมันตกมันก็ป่อนมันตกมันไปเดี๋ยวมันก็หายของมันเองถ้าไม่หายเดี๋ยวมันก็มันก็อาจจะตกหินตกบ่อตรงเขีวของมันไปเองใครทําอะไรมันเดี๋ยวมันก็ต้องแพ้ภายตัวมันเอง ก็ดูพร ะ, ระพุทธเจ้ากับเทวทัตพระพุทธเจ้าทําอะไรบ้างพระเจ้าก็ใช้ปัญญาใช้ความเมตตาใช้อุเบกขาท่านไม่ได้ไปเรียกกองทัพกองคนที่ไหนมาเรียกปลุกกระดมให้ฝไายของเรามาสู้กับเขาแล้วก็ปล่อยก็ทําไปอย่ากทำอะไรได้ทำไปของที่ที่เราลับที่เราโหรเราแห่ง น, นี่มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเห็นไหม เมื่อ ว, วันของเราก็ตายแล้วก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปจริงๆถ้ามันจะต้องทิ้งวันนี้ก็ทิ้งไปการกระทำของเราเนี่ยมันจะตับทําให้มันมันทิ้งเร็วขึ้นกว่าเดิมสิถ้าเราเฉยเนี่ยโอกาสที่เรื่องทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ์นี้มันจะมีถ้าเราไม่เฉยเนี่ยไม่มีโอกาสมันมีแต่จะทําให้มันเร็วลายลงไป เรามองในแง่นี้เราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกผิดถูกในทางโลกก็ย่อมมีอยู่แต่ถ้ามองในภาพรวมนันผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายความไม่สามาตรีความไม่รักกันมันก็เหมือนเมือนกับพระที่แตจแยกกันความสามีทีของสมนี้เป็นความจ็บอย่างยิ่งเพราะว่าแล้วก็ความแต่แยกของสมก็เป็นความทุกข์อย่างยิ่ง ทำใจเมื่อคีของคนรำรวยก็เช่นเดียวกันก็จะทาให้บ้านเองินอยู่กันอย่างร่วมเรียนเป็นสุดถ้าเกิดความแตกนะเมื่อคีเมื่อไหรบ้านเงินก็จะก็ะเป็นไฟขึ้นมา ท, ทัถึงนั้นถ้าเรานิ่งเฉยเสียเราก็ไม่ได้ทําให้เกิดความแตกนะเมื่อคีแล้วก็เป็นงแต่ปล่อยใ ห, ให้ให้เพื่อนเพื่อนร่วมชาตินี่ยเขาเสียติดเข้าไปให้เขาเสียจะติดกั ว่าในที่สุดเขาก็จะหมดแรงไปของเขาเองอย่างที่มีคมพูดว่าให้ใช้ควาสมสงบสยบความเพลอนไหวอัน น, นี้เป็นเป็นสุภาษิตจีน<ม>เป็นปาก<ม>ปัญญา<ม>ของจีน<ม>เราก็ตั้งอยู่ในศาสาร์นเขาจะทำไรก็ปล่อยเขาทำไปไม่ว่าไทยทังั้เนี่ย ถ้ามีเราเลือกายาเราเกิดบ้าแลว้ววาดบ้านท่านขึ้นมาเราเกิดเชย่อเชือ่อปล่อยเขาบ้าไปเดี๋ยวเขาก็าหมดแรงแเ้าก็หยุดไปแต่ถ้าเรายิ่งไปทําอะไรเดี๋ยวเขายิ่งย่งเกิดแรงมากขึ้นพอไปอยุดไปยับยัย้งเขาเขาเกิดจะโมโหเพิ่มขึ้นมาโกรธมากขึ้นก็จะมาทําร้ายเราตอนนี้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็เลยมาทําร้ายเราปล่อยเขาก็อยากไปทำอะไรก็รปล่อยเขาทาไป เราก็ป้องกันตัวเราไว้ก็แล้วกันมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้อยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ปลอดภัยได้อย่างนี้แต่เราไม่ต้องไปออกไปเตี๋ยเขาเตี๋ยเขาเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาใช่ไหะแล้วถ้าอย่า ง, งานั้นการที่ความช่วยเหลื อ, ร, อรูวมกจากเงินช่วยหรือผู้อาดเจ็บทหารตำรวจพอได้ ไ, ดไม่ถือว่าเป็นเชื้อภูตสงครา ม, ามไม่นี่เป็นทางเป็นเป็นความกรุลยา ใครที่เขาเดือดร้อนเขากตกทิ้งระยะแต่ถ้าจะทำจริงๆก็ต้องทาไม่เลือกว่าเป็นใครไม่เลือกฝ่ายๆแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วย ก, กันอย่างพยาบาลถ้าลงพยาบาลส่งภ่ายใหมาเขาก็ต้องรักษา น, นี่ยแล้วเราจะไปช่วยก็ช่วยได้ แต่ถ้าช่วยแล้วทําให้มันยืดยาวขึ้นบางทีก็อยากสู้ไปช่วยปล่ <c oughs> อยเขาสู้ก็จะท่านปวดเลยถ้ า, าก็ไม่ดีแรงถ้าตายยังไม่หมดกันบางทีช่วยแล้วการช่วยแล้วทําให้เกิดความเสียหายก็อยากไปช่วยการช่วยนี่มันต้องเกิดประโยชน์ถึงจะควรจะช่วย <c oughs> ทําใจได้ยรัง อจพยายามเจ้าค่ะเวลาเสกข่าวนะถามว่ามีความรู้สึกมีสองอย่างพอใจไม่พอใจอยู่นเลยอย่างนั้นเราเรามีความเห็นของเราอยู่แล้วใช่ทุกคนมีความเห็นของเราอยู่้วที่ตั้งแล้วพอใครทําตามตรงกับความเห็นของเราแล้วก็ไม่พเราก็ถือว่าเป็นฝ่ายเราเราต้องทาในฝ่ายในที่มันตรงกับความเห็นของเราแล้วต้ว่าเข้าเป็นฝัายสำคัญ มันจะทําให้จิตใจเราขุนโมแล้วก็ใจที่แทนที่เราจะพัฒนาไม่เป็นธรรมไม่เป็นรรมะไม่มีปัญญาไม่มีไม่ไม่มีอะไรกายจะน่ารังไปียจถ้าอาจารย์ค้าแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ก็จะเลิกตลกนะทุกครั้งที่มีคนตายจิตใจคือโรคมันเป็นธรรมดาอยู่มันมีมาตั้งแต่สมัยเด็กจำบันแล้วมันถลนมกันมาตลอดเวลา ทำง า, านแจกต่างๆมาติ้งท า, างชิ้นขายกันมาแล้พ่อแม่ขบลงกันนี่ยตอนต้กกนก็สามะสามะคีกันแล้วกันก็สร้างเงินค่ะจะเริยรุ่งเรืองพอจะเริยนนุ่งเรืองแล้วก็มาแตะคอกันมาแตะสาวมักคีกันแล้วลองจะศึกษาประวัติศาสตร์ดูที่ไหนก็เหมือนกันตอนเริ่ ม, ต อ, มตอนเวลาก่อร่างสร้างตูขึ้นมาทะเลาะกันพอรวยมีความสุขรักที่ก็มาโกรธกันมาทะเละ ก, กันม า, นามาแก่งแย่งทิ้งดีกัน มันเป็นอย่างนี้มามันเป็นสันดานของมนุษย์เนี่ยเป็นสันดานของกิเลสขาดใดที่ยังมีตะการมาตัญหาเพราะว่ า, า, ว า, าตัญหาที่ภาวะตัญหาอยู่ขาดนั้นมัก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้มาต ล, าลาตอดเลยบางก็สมัยพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่ไปชงห้ามด้วยคำย่าแยงมันก็มีมาอยู่ทุกสมัยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มาตลอดถึงบอกให้ที่ยานาให้หนจีจากความเดื่อหร้อนยโลกดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์กับมัน จะได้มาออกบวชเป็นแม่ชีเป็นนักบวชตรงนั้นบวชก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเขาเข้าใจโลกเขารู้โลกกระทั่งมันมีมีเสื่อมีมีมีการเจริญก็มีการเสื่อเป็นธรรมดาราบยศสารเสื่มสุขมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อเสื่อมลาบเสื่อยศมีสารเสื่อก็มีนิมฐานมีสุขก็มีทุกข์มันก็สลับกันไปอย่างนี้ตลอดเวลา นั <łość> ่นถ้าอย่าไปหวังว่าโลกนี้จะจะเป็นอย่างที่เราอยากได้มีที่เดียวเท่านั้นที่เป็นอย่างที่เราอยากได้ก็คือความพังเท่านั้นเองนะไปที่นั่นสิทํางที่ไปไปสิงห์บงสิงห์บงได้กว่า นบบนคนที่ก็ไปถึงว่านี่ฟาาแม่นกกลับกมาบนเงนเ้ยความีแต่ว่าปลากำลังสุ ข, ขงังเนาะกลังสุกขังเนาะพวกเราอยู่ในกองไฟแทบไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ยอมออกจากกองเพลิงกันแล้วก็มานั่งบวนมาร้อนโอเคออกมาเถอะจะไปอยู่ เราก็เคยอยู่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่แล้วเราก็ออกมาแนละ้ว <c oughs> อยากออกมาเป็พลเมืองจิตนิยย่างทช่น <c oughs> อานารยเคยบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นคาราะ ก, ก็ได้ฝึกอบรนตรัวมาได้ตลอดยิ่งท่างไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตากโดยว่าไมไ่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครโดยไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอย่างนี้ถ้ามีข้อวิหารทำข้อไหนเป็นเครื่องอยู่จะพ ก็มีความสงบพี่จิตสงบมันก็ไม่มันก็มีเครื่องอยู่นะมีสิงที่มันยังไม่มีแล้วมันดิ้นรนที่จะก็ต้องทรมาร์ต้องสู้สู้รู้สึกเหนื่อยมากเลาดูวันนี้ก็เหมือนปีนเขาอ่ะแต่ความมันเป็นยอดนั่งไม่จัดสมานตอนนี้คือมีเครื่องพยายามพยายามเมื่ครั้งมีเหตุเกิดขึ้นนะคะที่เดนโจงกลงไปเนี่ยเราังเห็นมันอยู่ว่ามันมีอยู่เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถจะเอาชนะมันได้นะคะจนถึง กลไปบ้านไปเจออาจารย์เขาไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ผู้อยู่นิดเดียวปุ๊บเราสามารถจะโอ้คือมันวานได้โดยอัตโนมัติมันนะคะทีนี้ให้ตรงนี้มันมีข้อเสียตรงว่าถ้าไม่มีอาจารย์จะทํำยังไงตรงเนี้ก็หาอาจารย์ตรงนี้อาจารย์อยู่เอย่างนี้เราไม่ไปหาอาจารย์เองไม่หยุดเราอยู่กับอาจารย์เองวัดสำนักต่างๆ์ที่มีอาจารย์ที่ท่านรับคนให้ไปอยู่ปฏิบัติกับท่านก็มีเราไม่ไปอยู่หัวท่านเอง นึกถึงเทเรยวถ้าเราเกิดไปอยู่กลางป่ากลางคนเดียวถ้าไม่มีตรงนี้มันจะมันจะพ้นไปงงอ <c oughs> แล้วก็เล้ยงไม่ไปเลยออเนักบวชถ้าอยู่อาจางใจก่อนให้ให้มีให้ลังคอที่จะพ้นไปง่นก่อนนะท่านถึงปล่อยให้ไปอยู่คนเดียวได้ตอนต้น <c oughs> ต้องมีอาจารย์คอยสอนคอยให้กำลังต้องมีฐานก่อนอย่างนไม้มต้องมีความสงบเป็นฐานก่อนถึงจะออกไปอยู่คนเดียวได้ ที่ออมไปอคนเดียว่หมายถึงต้องการเข้าสนามสอบแล้วเพราะจากมันจะนั่งมีมีสุดตรมยัปัญญาแล้วมีจินตามายัปัญญาแล้วอยากจะไปช่างภาวนาเมายัปัญญาให้เกิดขึ้นต้องไปอยู่คนเดียวต้องเข้าสนามสอบนั่นงถามนั่นเป็นขั้นสูงแล้วคนต้องไปอยู่คนเดียวนี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีมีสกติมีสมาธินะมีความรู้เรื่องปัญญาพอสมควร พอที่จะรักษาตัวเองได้นะถ้าเรามีปอยให้ไปควาต้น อ, อยากพึ่งไปชิดใกล้จะไปอยู่คนเดียวควาต้นเราจะไปยังเดกทารกอยู่ต้องมีพ่อมีแม่คอยเลี้ยงดูคอยอบรมสั่ง ส, สอนพอโตเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราค่อยไปข้างครอบครัวของเราเองไปไปต่อช่้กับปัญหาของเราเอง เรื่องปรยู่์ของครูอาจารย์ก็อย่างเนี้ยพอมีปัญหาพอไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะชีนี้บอกเลยหรือพูดให้กำลังใจทำสองครั้ก็กำลังก็กลับมาแต่ถ้าไม่มีในใจของเราไม่มีมันไม่มีที่ตัวที่จะมาปลุกปัญญาตลุกกำลังใจมันก็มีแต่กิเลสคอยจะคอยเหยียบย่ำเราทำให้เราท้อแท้ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายหมดศรัทธาหมดนายเมื่อยาจะปฏิบิ การคูบาจางเนยท่านสอนอยู่เรื่อยๆถ้าท่านมันถ้าท่านมีเวลาไม่ไม่มีใครไปรบขวนท้างหน้าในสมัยที่ไปอยู่กันตามส ม, มัยนั้นไม่ก้อนมีคนไปท่านสี่้าวันท่านยังเรีย ก, กว่าชมสองครั้งนะสี่ห้าวันยังเรีย ก, กว่าชมนี่แล้วก็พูดเรื่องทำและพอฟังแล้วเหมือนเหมือนเหมือนกันได้ได้กําลังพอออกจากที่ประชุมนี่หรอจะเดินตรงกลมเป็นเที่ยวบ่ประเดี๋ยว แต่บางอย่างไม่ได้ฟังธรรมนี่เดินไม่ชั่วโมงนี่ก็เหนเ่อยละไม่อยากจะเดินต่างกันเวลาได้ฟังฟังธรรมนี่มันจะได้กำลังใจถึงแปลว่ามันจะจางหายไปหลังจากสามสี่วันมันก็จะจางหายไปถ้านถึงต้องเรียกระชุมม่มหเรื่องอย่างที่ท่านทรงกำหดนดวันพระไว้ให้ญาติโยมเข้าวัดกันเพื่อจะได้มาเติมเติมพลังเติม ธรรมะเป็นสัญญาก็จะได้มีอะไรหล่อยนีงให้จิตใจให้ได้อยู hint, bah, h fik, h ่ต <t ank o> <theory> ่อสู้กับปัญหาต่างๆได้อย่างปลอดภัยฉะนี้ถ้าทำให้เรื่องวันพระวันทํามวัฒน์วันฟังธรรมการเรียนธรรมวัฒน์งเอตามังกาลุยตามังการฟังธรรมตกางตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเราที่ร้ายเบอกแล้วว่าขอให้เปิดฟังทุกวันนี้ กอนจะออกไปทํางานตอนเช้าเป็นเขึ้นมาค่ยนอนค่อยตื่นกี่โมงก็เป็นขึ้นมาอีกก่อนสักชั่วโมงนอนหัว ข, ข้างละกับปกติสักชั่วโมงจะได้มีเว ล, ลาตอนเช้าก่อนจะไปทํางานทําการให้มานั่งสมาธิควาเทศจของธรรมสักชั่วโมงจะได้มีอะไรเป็นสติเปลี่ยนใจเป็นคติเปลี่ยนใจ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 เมื่อไหร่เขาจะหยุดสักที <c oughs> แล้ว้าทําให้ใจเรารุ่มร้อนขึ้นมากวนกระวาด ก, ก, ก, ก, กัดกึงไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้ามีทางแล้วมันก็ปลงได้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นธรรมดาของโลกมีตกิดมี้ลับเป็นธรรมดามีมีความสงบมีความวุ่นวายเป็นธรรมดาสลับกันไปแต่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาได้เราแยกใจของเราออกจากสิ่งในฝัได้ ด้วยการมีธรรมะมีประสติมีสมสาธิมีฝัน ย, ยาวคอยดูแลรัลกษานี่คือสิ่งที่เราต้องทําอยู่ทุกวันก็คือรักษาใจเราให้อยู่เป็นปกติส่วนภายนอกเราทำลายได้เราก็ทํำไปในส่วนของเราเราทำดีได้เราก็ทำดีไปให้ทางได้าก็ให้ทางไปช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เราจะไม่ไปทุบตีใครเราจะไม่ไปดา่าใครจะไม่ไปว่าใครใครก็จะร้ายใครเ ข, จ ะ, รรเขจะช่วยอย่างไรก็ปล่อยให้เขา ไา้เขาช่วเขาใส่เราไม่ต้องไปบอกเขาเลยว่าไม่เกิดประโยู่อะไร ม, มันจะทําให้เราชั่วและร้ายเท่ากับเขาทั้งนั้น เ, นเองเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในเรื่องราวแบบนี้ต้องมีเมตตาสมัยสัพเพสัตตาเพราว่าสัพเพก็หมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นที่เราเป็นพวกเราแล้วไม่ใช่เป็นพวกเราใน <c oughs> นี้ท่านจะเรียกว่าสัพเพสัตตาได้อย่างไร เชื่อแดงก็สบเพรย์สะตาเชื่อเหลือนก็สบเพรย์สตาเชือ่อหลกก็สพรยตาเ ป, เ, ปเป็นเพื่อน้อง ก, ก, กันเป็นเรื่อนเกียวเหตาด้วยกันถ้ามีเมตตาแล้วเชื่อได้ว่าปัญหาต่างๆมันจะเบาเลมันจะเบาเลตมในข้างเดียวไม่ดังไปต้นี้ข้างเดียวดูไห มไม่ตก่ใตกลมไม่ใช่ตกล่นะการที่ไปในพสดุที่ไม่ก<ๆ>นะลับาทำไปนะเอาไปใช้ถเถอะเาเชื่อว่าเราจะช่วยลดปัญหา ช่อลด <No. S 1> อุณภูมิของความรุนแรได้แ น, น่นอนแต่ถ้าตาฝ่ายต่างพุ่งเป้าเข้าหากันอย่างนั้นก็จะเพิ่ อ, อุณภูมของความรุนแเพิ่มขึ้นตาจะให้ฟอนนะขณะที่พี่อาศงไปนะเห็นเห็นดูรูปที่มีคนอยู่ในกองศพแก็ยวันนั้นเลยไปหมดว่าตัวเองนอนอนทับศพนั่นกันเลย ซึ่ปกติไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่วันนั้นูนึกกลัวขึ้นมาทันทีเก็เอยถอนออกมาเอ๊ะทำไมเรานึกกลัวนะนี่เราควรจะกลับไปทาอีกรอบไปไหลายรอบเพื่อทีู่นนันก่นะดูจนกระทั่ ง, งเราไม่กลัวความตายหรือว่าเราล่ามเราก็ต้องเป็นล่ามใจของมันเหมือนกันดูจนทั ง, งยอมรับความตายแล้วแล้วขั้นต่อไปก็จะพิสูจน์ดี ก็ต้องไปหาสภาพเหตุการณ์ที่มันท้าทาสต่างทางตึงทางตายเลยตอนนี้มันยังอาจจะหลอกตัวเราเองได้ความคิดยังยังจะหลอกเราได้ว่าเราไม่กลัวตายนะแต่เรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริงเหมือนคุณหมอไอ้คุณอาจารย์ที่จะเจอลูกระเบอดถ้าเจอลูกระเบิดดั้นดูทีว่าเป็นยังไงใจสั่นถึงได้ ในข ท, ท fit, ng, the quality, ี่เราถ่ายเป็นลูกศิษย์หลวงตายนะคะทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจฝึกอบรมตนให้เป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นทุกวันด้วยอติดปริญญาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถอะที่ทราเนี่ยน้อมถวายท่าแข็ท่านกำลังได้หมเจ้าคะไดได้คามยจองได้ก็เป็นทาแขงขท่านกาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของทาแขท่านแต่ถ้ามีคำพูดหนึ่งว่าไม <laughs> ่มีอำนาจใดจะที Carolina, ่ใหญ่ไปกว่าอำนาจของใจที่ฝึกไว้ดีแล้เนี่ย มัเลยสมัใจใคนใารองการของเงินคืพ่อน้อมถวายบูชาท่านนี้ความบูชาได้แต่ันไม่ได้มีผลทางทางความต้องการรทางบูชานี่เป็นการแสดงความเคารพแต่วามเขงท่าน่าเ้ท่านไม่ต้องการเลยท่านไม่ต้องการที่อะไรทั้งนั้นท่านของอย่เ ถ้าทางไม่ใช่ตัวท่านท่าฉันเป็นเพียงรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองรถยนต์นั้นก็ต่อให้ใครมาทําอะไรมาถ้ามันไม่วิ่งมันก็ไม่วิ่งมันมันหมดสภาพมันก็ไปไม่ได้ร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์คันนึงเมื่อมันหมดสภาพมันอยากจัดสามนาทีมันจะแยกทางกันเดนก็มันมีใครอยู่มันได้อย่างนั้นตุ๊กตาจะก็อยู่ที่คนนี้ได้สิ ถ้าเราสามารถทําให้ถ้าบุญบุญที่พวกเราทําให้ยสามารถยืดชีวิตของพระพุทธเจ้าได้า่ามนีจข้าก็ยังอยู่ที่มันได้ที่มีในบทว่าถ้าพระอนรันตนดาวรอถึงสาครัง้งเราจะดูได้ถึงหคนมาเรื่องกันนั่นท่านพูดมาแปงว่าในตอนนี้ที่ท่านขันธงท่านยังอยู่ได้แต่ต้องมีการบํารุงพิเศษต้องการูวลาเป็นพิเศษต้องซ่อม ก็จะอยู่ได้นานหน่อแต่ถ้าไม่ดูแลพิเศษไม่ชอบไม่บำรุงมันก็จะไปเร็วหน่อยเท่านั้นเองแล้วคนที่จะคอาดูแลชอบบำรุงก็คือผ้าหนอนท่านถึงบอกผ้าหนเป็นไหนไว้แต่ผ้าหนอนไม่เข้าใจก็าหนนไม่ได้อาราทธนาไม่ได้อาษ า, าสมหลวมว่าจะเป็นคนคอยอุปถัมภะถากดูแลท่า ท, าทา้องของพ่อพุทธเจ้าเพราะเมื่อมีอายุมากก็ต้องมีนามมีอะไรมีการบิดงวดมีการอะไรดูแลเป็นพิเศษอาจารย์เนี่ย ที่เมื่อไม่มีคราสาสมัคก็จะไปไปไปามเขาบอกว่ามาช่วยดูแลเราลหน่อยก็ไม่ได้พาะนั่นถึงถูกถูกถูกปอกอบัตเนี่ยใาเดินหลังจากที่พูะเจ้าวิพากษ์แล้วก็มีการสังกยงงายนาถ้าสงขึ้นไ ป, ป็นพระนั้งหมดก็ถามพระอนันตหมดว่าทำไมไม่อาบานนาให้พรกเจ้าอยู่ต่อพระนั่นบอกไม่ทราบ ไ, ไม่เข้าใจฟังไม สมท่านก็เลยปอะกาศบอกคร ะ, ระค ว, ว่าต้องเนี่ยว่างออะไรทำนองนั้นทำไมไม่เอาลาน า, า, า, าให้อยู่ต่อแล้วในขงมาบอกท่านีว่าถ้าลาธนให้อยู่ต่อแล้วท่าจะจรงอิทธิบาทสีเนีย้ยหจารั์ก็ข่าวาอิทธิบาทส่ีก็คือจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังธรงรมะเนี่ยสามารถปกติประค อ, องร่างกายให้อยู่ได้นานกว่าจิตที่ไม่มีพลัง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 พระเจ้ามีกำลังใจที่จะดูแลรักษาร่างกายแต่ถ้าต้องมีคนดูแลร่างกายแทนท่านทั้งเบียดนวดร่างกายของท่าน ไ, ได้ท่านต้องมีหมอต้องมีคนคอยจับอยู่จับยามาขอยปถวายท่านคอยจัดอาหารพิเศษมาถวายท่านอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ถ้าไม่มีมันก็ร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้คือต้องมีกรารดูแลเป็นพิเศษคุย ง, งา่าย คนที่จะดูแลก็ต้องเสียสลับเวลาของตัวเองพระอนุนท่า น, นก็ยังไม่บรรลุเป็นพ ร, ร, ระอรหันตพระพุทธเจ้าก็่อยากที่จะไปไปดึงพระอนุนไว้ถ้าเกิอพระอนุนอยากจะลาออไปปฏิบัติท่านก็จะได้ปว่อให้ไปได้หรือถ้าท่านอนุนอยากจะอยู่เพื่อที่จะกระถาต่อก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพระอนุนพระอนุนไม่อาราธนาก็แสดงว่าไม่มีความสมัครใจ <c oughs> ที่การอนุนั้นท่านไม่มีปัญญาท่านไม่เข้าใจความหมายที่พระเจ้าทรงตรับไว้พอมาทราบที่หลังก็พระพุทธเจ้าบอกสายไปเสีแล้วพอมาลาธพอพระเจ้าบอกเราจะไปแล้วในอานุภัยในสามเดือนก็รีบขอลาธนาให้อยู่ต่อพระเจ้าบอกสายไปเสีแล้วเพราเราเคยพูดมาอยู่หลายครั้งแล้วแต่เธอไม่เคยลาธัาแม้แต่ครั้งเดียว แต่พอตถาคนได้ตรงแล้วได้ตัดสินใจอะไรลงไปแล้วกลับกลับไม่ได้อาจารย์นะคระอาจารย์ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงอิธิบาทสี่ในการรักษาธาตุขันธ์คือขันธะในความพอใจความพอใจที่จะดำเนินจะอยู่ต่อที่จะทําประโยชน์ให้กับโลกต่อไปก็จะขยันที่จะออกกําลังกายที่จะ ทำนี้ทำนีดูแลร่างสาวรลังกายให้อยู่ต่อไปได้แานที่จะปล่อยลงไปตามสภาพของเราเรื่องเรือสามสาราว่าความสงสารความเมตตาต่อผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากท่านอยู่ในสายขนะที่ท่านจะเดลงแบบการเมื่อนนั้นก็ยังจะโปรดคนที่มาถามปัญหาคนสุดทาย ตอนนั้นที่ตจ้ามันไม่ยอมไม่อยากจะให้เข้าแล้วเพราะเห็นว่าท่านทรงหนักเต็มที่อยู่แล้วแต่เพระเาะวจิตเจาพอทรงเจ้าก็ยังเรียกเข้ามาเพราะความเมตตาทั้งมีอยู่ต่อสามโลกเสมอเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจท่านก็ต้องตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแล้วก็ท่านก็จะไม่ปลี่นใจแต่ท่านก็เห็นว่า ถึงแม้ท่านไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีสาวกตั้งห้าร้อยลูกขึ้นไปที่จะสามารถทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านได้อย่างอย่างต่อเ น, นี่ยท่านดงไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ตอนที่ท่านทรตัดสินใจนั้นท่านท่านต้องมีความมั่นใจแล้วว่าพวกเราไม่ขาดที่พึ่งดังที่ท่านบอกว่าพวกเธอจะไม่มีไม่ตัดจินใจสาสดา เพราะว่าธรรมวินัยที่เราได้ตับได้ชอบแล้วมีหลายจะเป็นตาธรดาของผู้เธอต่อไปและผู้ที่จะสอนธรรมวินัยนี้ก็คือป้าอารยะของสาวกทั้งหลายซึ่งมีเป็นจํานวนมากมากกว่าห้าร้อยลูกดังอยาอ่าไปเถียงกามจากรายของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของธรรมดาที่ไหนจะต้องเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิด สิ่ที่ท่านสอนที่จารึกเก็บไว้เนี่ยมีมากและมีประโยชน์เท่ากับท่านมีชีวิตอยู่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติฟังจากสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้จะเป็นในรูปของหนังสือพอดีหรือในเทปหรือีดีที่บันทึกเสีเยไว้อย่างนี้ก็เหมือนกับมีท่านอยู่ทุกวันนะไม่ต่างกันหรอกที่เราไปหาท่านก็ไม่ได้ไปหาร่างกายของท่านเราไปหาธรรมะของท่านไปทําธรรมของท่านถ้าทํามของท่านก็ยังอยู่ ทำไมเราไม่ฟังกันหายในะห้พอไั้่นนนนยะถ า, าวะาาราาวุวาขันตุระตะรุปุณติตาคังเอ ว, เอวามีวะอิโตชินางเปต า, านังอุปกะปติ อิงปฏิตางตุหังคิพะเวะสัมิจตุสัพเเณตุสังคาจัมทปณะระยทามนิโชติระสยสพติโยวิวััตุสัพพะโควินัสสตุมาเตตรโยสุขีทีฆาโโกภาอวัสีลิสะนิจังุทธา พระเจ้าวินโอชตารุธรรมวะทาติอายุวันโอสุขังภาลัางจิตรงระเโจิตะโอสล้าเหมือนกันอยาเอ่อท ว่าอาชีพแรกได้ใช้เวลาปรับตัวในการาตั้งพาะการปรับตัวเป็นครานี้ค่อนข้างยากไม่ทรบบาบว่าร อ, องยาก้ากไมีพระวินยัยไหนัยี้ไรปรับตั ว, วให้เข้ากับอันนี้นต้องมีสิ่งต่างต่างที่พาะจะต้องดูแลรักษาชช่นจีวรเวลาตะวันอะไราและกิาริยามร า, ยามรายะอต่างนี่ละเอียดกว่าาน้อบเถอเดี๋ยวก็จะผิดได้ เราก็ทราบว่าวันนี้ท่านอาจารย์เทศขึ้นหนึ่งเป็นอาจารเทศโปรดไม่เราไม่ได้ตั้งใจก็พูดไปตามตามทางที่พูดนะไม่ไม่ได้พูดตั้งใจเพื่อจะเปลี่ยนไปอยากที่ว่าคนคนคนอื่นที่เขาได้อ่านได้ฟังจับเราเขาจะได้รับประโยชน์พราเมื่อคราที่แล้วเมื่อปีที่แล้วที่มีแม่ชีเข้ามาบวชคนหนี่งเราก็พูดเรื่องการบวชชีว่ามีการเป็นอย่างไร ก็มีพวกแม่ชีที่วัดภาษีเจริญตบบาม้างภาษสเจรเขาได้ไได้ไปฝึก ไ, ไ, ไ, ได้อ่านเข า, าเขาก็เลยไปก๊ อ, อกปปี้เอามาแจกเพื่อแม่ชีด้วยกันเขาเาชอบเําทำน้อให้เขาเขารู้ว่าเขาบวชมาเพื่ออะไรบางทีเ็าบวชเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาคิดว่าบวชเพื่อรักษาศีลอย่างเดียวเงี้ยคูดนี้ไม่ได้พูดเพื่อคู่หนึ่งผู้ใดโดยตรง พอดีมันก็เป็นเรื่องธรรมะที่มันมันมั น, ม, น, ม, นมันโผล่ขึ้นมาก็พูดไปเพื่อประโยชน์ของคนที่มาอ่านหรือ ม, มาฟังทีหลังต่ออพราะจะคิดว่าเราพูดพูดตรงไปที่ก็มันจะเป็นทั้งบวกทั้งลบถ้าดีเขาก็ดีกันถ้าไม่ดีเขาจะหาว่าเราไป ไปว่าเขาก็ได้อสืองนครับนนี้อมกค่อกแ่บาจาเนี่ยแล้วกดเ่อเราบางทีมีอะไรนิดนี่ยก็ไม่อยากจะป่วนท่านทางว่าที่ว่าเขาไม่พใจพยายามอะไรที่มันไม่ดหยมกพยายาแก้ไขก่อนก่อนแมาติดจริงันไม่ ไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆนีัอาจะเกิดาเสียงตามมาได้คร่คือบางทีมันจะรู้คิดช้ามาถึงว่าไปสักระยะหนึ่งมันถึงจะรู้ว่าอ๋อเออมันาดมันผิดยังไงเราคปัญญาเรามันช้ามัไม่ทันก็ไม่เป็นไรความรู้นี่เป็นปิที่พูดที่ว่าถ้ามีครูบาอาจารย์ก็คือทันจะคอยประคับประคองเราไปแต่เรื่องเรื่องิดผิกกนีมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว มีถ้าแม่ท่านจะได้คอยตำหนาเราได้ถ้าเกิดต อ, องเล่ลูนอกทางๆๆแต่เรื่องผิดธรรมดาเร่องเลกน้อยมันเป็นธรรมดามต้องผิดเยอะแ่ไม่เรามันไม่เหมือนกับเสียหายใหญ่โตๆๆๆๆแตถึอว่าถ้าเราเกิดไปทำอะไรที่ท่านเห็นว่าโอไม่ได้ล้วต้องเ็รกน้ครับเราจะเบรก ถ้าไม่มีท่านน้องจะไม่รู้วก็ย่ยไปเพินว่า ต, ตามกเลงทีก็ ท, ทาตามกิเลบ้างทีก็ทีก็หักมันบ้างเลยผ่อนบ้างทีตามต <c oughs> เจบหหลุดพ้นด้วยความเพียรนะัน